อาจารย์ครับกล่าวน้อมสักการะครับผมอาจารย์พรคุณมหมาแล้วท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับอาจารย์ครับวันนี้มีคนมารอตั้ง840คนแล้วครับตอนนี้ครับวันนี้ที่ที่เป็นหน้ากุดเยอะไหมครับอาจารย์ครับหน้ากุดประมาณ160คนอ๋อถ้ารวมทั้งหมดในระบบก็เกือบพันเก้าร้อยกสิบกว่าคนครับผมอาจารย์ยังไม่เหนื่อยนะครับก็วันนี้สามรอ เร็จรอประมาณสี่ชั่วโมงเที่วันก็มีเป็นภาษาอังเกฤษหนึ่งชั่วโมงครับผมอ่ายก็ประมาณชั่วโมงครึ่งถ้าไม่นับเวลาอื่นเวลาที่แสดงธรรมสนธิธรรมก็ชั่วโมงครึ่งเดียว ก, กับคุณหมอเกชั่วโมงครึ่งวันนี้ก็เลยได้แสดงธรรก็สนนาธรรมประมาณสี่ชั่วโมงได้กันก็ดีไม่มีปัญหาเลยเป็นการรับสติปัญญาไปในตัว เขา <อ S 2> ก็ถามคำถามมากราต้องใช้ปัญญาตอบครับผมอย่างที่หมตั้งหัวข้อวันนี้ก็ต้องต้องใช้ปัญญาพิจารณาแล้ว<อ>ก็ตอบครับผมก็หัวข้อวันนี้ก็เห็นเพราะว่าได้ฟังพระอาจ า, า, า, ารย์เรื่อยว่าพระอาจารย์บอกว่าทุกย่อมไม่มีกับผู้ไม่เกิดเท่านั้นอย่างเงี้ครับผมได้ยินได้ฟังพระอาจารย์พูดถึงอย่างนี้บ่อยครับ วันนี้ก็เลยขอพระอาจารย์ขยายความแล้วเดี๋ยวจะถามสืบเนื่องไปต่ออีกหน่อยหนึ่งครับอาจารย์ครับขอบพระคุณปาครับผมคือทุกนี้มันมีสองชนิดด้วยกันทุกในขันทุ ก, กเวทนานี้ เ, นกกเวทนานี้ก็เป็นขันขันหนึ่งในขันห้าแล้วก็ทุกในอริยสัจสี่อันนี้ทุกที่เกิดจากสมุทัยคือตัณหา กามัทนาภาวตัทน า, า, ว, นาวิภาวะัทนาทุกในทุกในขันนี่มันเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องเจอแม้แต่พระลานพระพุทธเจ้าก็ยังเจอทุกในขันได้ครับเช่นเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้เป็นทุกในขันอาการเจ็บปวดทางร่างกายพระานกับ พระพุทธเจ้าก็ยังเจอทุกในขันอยู่แต่ท่านไม่เจอทุกในอริยสัจสีเพราะท่านระ ง, งับทุกในอริยสัจสีได้ด้วยปัญญาดนยการพิจารณาร่างกายขันอาว่าไม่ใช่ตัวท่านเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นธรรมดาซึ่ง ถ้าเข้าใจแล้วก็จะไม่สร้างตัญหาความอยากคืออยากให้ทุกขเวทนาทางร่างกายหายไปเพราะรู้ว่าอยากแล้วก็ไม่ได้ทังใจอยากอยากไม่เป็นโรคต่างๆก็ฆ่าไม่ได้ถึงเวลามันจะเป็นก็เป็นอยากแล้วมันก็จะทําให้ทุกขใจบางคนบอกอไม่อยากไม่อยากเป็นโรคมะเร็งเลยเพียงแต่คิดถึงโรคมะเร็งก็ทุกขใจขึ้นมาแล้ว ทั้งที่ตัวมะเร็งยไม่เกิดก็ตามถ้าคิดว่ า, วาเวลาต้องเป็นมะเร็งเราต้องไปผ่าตัดไปฉายแสงไปขี้มุ้มก็เกิดความทุกข์เกิดความทุกข์สองทุกข์ซ้อนกันทุกข์แรกก็คือทุกข์ในขัน ท, ทั้งที่ยังไม่เกิดก็มันก็เกิดมันก็เป็นเป็นความทุกข์ที่เกิดจากความคิดปูกแต่งไปก่อนนะคิดถึงโรคมะเร็งก็ มันก็ทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาอันนี้ก็จะถือว่ามาทาำมมามาจัดทำมาลอยก็กได้มาจากใจบางคิดบางคิดเปในทางที่ทําให้เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาก็ได้คิดถึงโครคภัยไข้เจ็บต่างๆที่จะต้องเจอหรือที่ยังไม่เจออันนี้ก็ยังถือว่าเป็นทุกขเวทนาอยู่แต่มันพอมันเกิดทุกเวทนาแล้วมันมักจะเกิด ทุกนาฬิกาสักสี่ข้อไปมาทีอันนี้คือความไม่สบายใจทใี่เกิดจากความไม่อยากที่จะเจอโครคภัยไข้เจ็บเช่นโรคอะไรต่างๆดังนั้นสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมสามารถแรกยกแยะทุกสองชนิดได้เราวรู้เข้าใจถึงเหตุของทุกสองชนิดว่าเหตุคือเรื่องทุกข์ของทางเวทนาทุกในขันนี้เป็นสิ่งที่ เราห้ามันไม่ได้มันเป็นธรรมชาติเหมือนดินฟ้าอากาศเราไปห้ามฝนตกแ ด, ดเราไม่ได้น้ำจะท่วมเราก็ห้ามมันไม่ได้เวลาน้ำท่วมมันก็สร้างความทุกข์ลบากทางทางจิตใจแต่ก็ถ้ามีปัญญาเราก็จะไม่ทุกข์ทางจิตทางอริยสัจสิ่ทุกเพียงเกี่ยวกับความไม่สะดวกที่จะต้องแก้ไขปัญหาของน้ำท่วม แตทาใจก็จะไม่ไ ม, ไม่ไม่เดือดร้อนก็ยอมรับสภาพแล้วก็อยู่กับมันไปแก้ปัญหาไปตามเหตุตามผลเท่าที่จะแก้ได้ที่ปฏิบัติการนี้เพื่อมาล้า ง, งับทุกทางใจทุกสิเกิดจากการมันตนาปวัตนาและวิปวัตนาซึ่งถ้าแก้ได้ร้งางน้ำัญหาเรื่องสาม่ได้ในทุกกรณี ทุก็จะไม่เอไปในใจของผู้ปฏิบัติแล้วก็จะเป็นผลที่จะทำให้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกครั้งนึ่งเพื่อ ม, มาประเชิญกับทุกเวทนาครั้งแล้วข้างเล่าทุกครั้งที่มาเกิดนี่เราก็มาเจอกับทุกเวทนากันที่เกิดจากการสัมผัสตาหูรูปเสียงเกิื่นร้อดทภาพักผ่านทางตาหูจมูกนิ้นกายแล้วก็รรทําอารมณ์ที่เกิดจากใจ ในใจอต่ น, นี้มันก็มีเป็นเป็นขันยังถือว่าเป็นขันอยู่แต่แต่ถ้าสามารถยุติการมาเกิดได้ก็ไม่ต้องมาเจอเปัญหาเกี่กับทุกทางขันด้วย <c oughs> แต่ถ้าบรรลุธรรมแล้วมันยังมีขันอยู่ยังคลอขันอยู่ก็ไม่ทุกข์กับเรื่องของเวทนาทางขันแต่ยังต้องเจอมันอยู่ อ ง, องค์พระเจ้าก็เวลาประชวรเนอะเวลามีความเหน็่เหนื่อยเมื่อเนื่อนทางจะเรียกอยู่ก็บอกเหนื่อยร่างกายนีดเหนื่อยอยากจะขอพักหน่อยก็บอกให้อานนท์ปูผ้าสังกติให้ท่านได้ประทับแล้วก็ให้อานนท์ไปหาน้ำมาให้ดื่มอันนี้เรียกว่าทุกขเวทนาทางขันทางร่างกายทางขัน่าแต่ทุกทางใจท่านไม่มี ใจท่านไม่มีความทุกข์ไม่อยากจะอยู่เลยมันทุกแบบอยู่แบบนี้แล้วมันมีแต่ความทุกข์อันนี้ทุกในอริยสัจสีที่เกี่ยวกความอยากอยากอยู่ไม่อยากตายนี่นก็เป็นความทุกข์ผู้ปฏิบัติเน่ถ้าปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาก็สามารถที่จะกำจัดทุกทางใจได้เมื่อกําจัดทุกทางใจได้ก็ ก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปเพราะสาเหตุที่ทําให้ทุกข์ทั้งใจเกิดขึ้นก็ได้ถูกคําจัดไปสาเหตุที่ทําให้มันเกิดก็คือการมารตนาบาวาตนาวิพาตนาดังนัสิ่งที่เราต้องทำต้องปฏิบัติต้องทำก็คือมาดับทุกข์ทางอริยศาสตร์สี่แต่เราดับทุกข์ทางขันไม่ได้ดับทุกข์ใจทุกที่เกิดจากความแก่ไม่ได้ทุกที่เกิดจากความเจ็บไข้ไได้ด้วย ทุกที่เกิดจากความตายไมได้หรือทุกที่เกิดจากการไปสัมผัสรูปเสียงกิิ่นรสทุกทพะและธรรมอารมณ์ที่เราไม่ชอบก็ไมเราก็ห้ามไม่ได้บางที่ก็เจอคนด่าเรานี้อย่าคนแย่เขี้ยวใส่เราสแสดงกิริยาการโหดร้ายทารุณายต่างๆเ่นี้มันก็ทําให้เกิดทุกขเวทนาทางขันได้แต่ถ้าเราเข้าใจว่ารูปเสียงกิน่น้สมันก็เป็นอย่างนี้เลย ถ้ามีดีมีเชื่อสลับกันไปมีสุขมีทุกข์สลับกันไปแล้วก็อดอยู่กับมันไปด้วยการทําใจให้ปล่อยวางพิจารณาเห็นว่าขันไม่เป็นตายรักอายตนะเป็นตายรักลูกเสียงกินรอยลดวัฏฏะและธรมรมารมณ์นี้เป็นเป็นตายรักเป็นเขาไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเป็นของที่ ไม่มีใครไปควบคุมบังคับได้มันเกิดจากเคจากปัจจัยต่างๆก็ไม่ทุกทางใจไม่ทุกทางริยศาสตร์ได้แต่ยังต้องตอง่ยังต้องเจออยู่ยั ง, งเจอคนที่ไม่ดีอยู่เจอคนที่เขาเกลียดเราชังเราแล้วก็ทําอะไรต่างๆอาจจะการแกแล้งเราดูถูกดูหมิน่นดูแคแสเราต่างๆเฮ้ยังต้องเจออยูแต่ว่าใจไม่ไปทุกกับมัน แต่รู้ว่าไม่ชอบรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่มันทําให้เราเกิดความรู้สึกไม่สบายใจแต่เป็นความไม่สบายใจทางทางขันทางวิทนาบางทีมันมันซับมันมันซ้อนกันบางทีถ้าไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติจะแยกแยะทุกสองอันนี้ไม่ได้ทุกที่เกิดจากอาลัยสัตว์สี่และทุกที่เกิดจากอานิจังทุกขาราตตาในขันนั่นครับ แค่นั้นศึกษาไปปฏิบัติไปแล้วก็จะสามารถอย่างนี้ได้แต่เป้าหมายหลักก็คือเราไปกําจัดทุกในขันไม่ได้ทุกในขันมันอเกิดดับเกิดับไปตามภาวะอนิจจังทุกขงังนั่ตาแต่สิ่งที่เรากําจัดได้ก็คือทุกในอริยสัจ ส, สี่ที่เกิดจากสมุทัทยการมัตตานาภวตนั้นนิภาวตนั้นด้วยการปฏิบัติสีสมาธิปัญญา ทำใจให้เป็นอุเบกขาแล้วสอนใจให้รู้ว่าทุกทางทุกต่างๆนี่มันเป็นไตรลักเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามเหตุตามปัจจัยเราไม่สามารถที่จะไปสั่งให้มันไม่เกิดหรือไม่ดับไม่ได้เราก็อยู่กับมันไปแบบหยดน้ำหยไใบบัวไปผู้ที่กําจัดทุกในใจได้ก็อยู่ครับ ขันต่อไปอยู่แบบไม่ทุกข์กับมันแต่ทุกข์ของในขันมันังแสดงไปตามธรรมชาติของมันร่างการเจ็บใค้ได้ป่วยเจอคนนุตยินเสียงที่มันไม่ไพเราะหูอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องที่ยังต้องเจออยู่ต่อไปแต่ว่าใจเฉยๆไม่เกิดความทุกข์ทางด้านอาริยสัจขึ้นมา อาจารครับเนี่ยอย่างครูบาอาจารย์ที่ท่านบรรลุแล้วอย่างเงี้ยครับเวลาท่านเจอทุกทางกายทุกทางขันเนี่ยครับท่านจะมีอาการแสดงเหมือนคนทั่วไปได้บ้างไหมครับเช่นอาการเจ็บปวดร้องหรืออะไรเงี้ยครับเขาเป็นยังเป็นไปได้อยู่ไหมครับอาจารย์ก็อาจจะมีบ้างในบางครั้งบางคราวแต่ส่วนใหญ่แล้วท่านจะค่อนข้างที่จะมีทุเบกขาที่จะไม่แสดงอาการ ออกงานแบบล้อมคนคลางแบบที่เราเคยเห็นคนในโรงพยาบาล น, น, น, น้องขนาดนั้นอาจจะไม่มีแต่ก็ได้ยินว่าท่านอาจจะมีอาการคลางร่างเล็กน้อยซึ่งอันนี้หลวงตาเคยเล่าให้ฟังว่าตอนที่เป้าเป้าไค่ปู่มันม่นบางคี้ก็รู้สึกว่าเห็นท่านคลางออกมาเหมือนกันแต่มันก็เป็นเป็นเรื่อง เรื่องเทางฐันไปทางทางร่า ง, างกายงที่มันก็เป็นเป็ น, ป, นปฏิกิริยาของทําทําร่า ง, า ง, างกายหายใจก็ไม่ได้ไปวุ่นวายไปกับมันมีบางคนบอกว่าศาสนาพุทธนี่มองโลกในแง่ร้ายอาจารย์ครับบอกมองแต่เรื่องของทุกอย่างนี้จริงไหมครับอาจารย์ครับหมอก็เป็นหมอที่มองมองร่างกายในแง่ร้ายสิใช่ไหม หมอก็ดูแต่โรคภัยไข้เจ็บทางกายแย่ร้ายเายป่าท้าไม่มองรล้วมันจะไถ้าไม่มองแล้วมันจะไปรักษาโลกได้เปล่าทําไ ม, ไมต้องดูโรคหัวใจโรคมะเร็งโรคตับโรคอ้อมดน้นโรคแทนทํำไมไปดูเรื่องสวยสวยงามที่เขาดูกันในทางโลกดูในแบบนางแบบดูลาดาราภาพา ย, ายนตร์อะไรกัน เพราะมันไม่ใช่หน้าที่ใช่ไหมหน้าที่ของหมอว่าเพื่อที่จะดูว่าร่าง ก, า, งยกายมีโรคภัยใกล้เจ็บอะไรเราจะได้นักษาให้มันหายได้ครับศาสนาพก็เหมือนกับหมอทำใจนะนักษาโรคทางใจก็ต้องดูว่าใจนี้มันไม่สบายด้วยด้วยอะไรด้วยความวิตกกังวลห่วงใยเครียดซึมซึมเศร้าหรืออะไรต่างๆอหลนี้มันก็เป็นโรคทางใจ ที่ศาสนาคือพระพุทธเจ้าเป็นหมอหมอเอกคนแรกของสัตว์ของทางโลกทางใจันก็ไปศึกษาค้นคว้าหาอยู่ก็ค้นพบ ว, ว่าเชื้อโรคที่ทำให้โลกทางใจเกิดขึน้นก็คือเกเรตตันหานี่แล้วยาทยี่มารักษาเราก็คือธรรมโอสถในการศีล ส, สมาธิปัญญาไม่ได้เป็นทางไม่ได้มองทางทางทางลมันทั้งสองทาง ทางบวก็มีทางแก้ไขก็มีบียาดีกว่าหมอเลยหมอสมัยนี้บางทีจเจอโรคมันรเนย่ยหายามมารักษาไม่ได้มีแต่ให้ข่าวไม่ดีคนไข้บอกช่วยไม่ได้เตรียมจองสาราได้นะรต่แต่ทางศาสนาพุที่สอนทั้งทััทา ง, ทงบวชและทางบวช ง, ไงครับสอนความจริงไงอริยสัจคือความจริงรไม่ได้เอาเรื่องโกหกมาสอนกัน เรื่องโกหกมาสอนแล้วมันจะทําให้หลงกลแต่ภาษวก็ไม่เป็นไรหรอกตั้งกายอยู่ไป น, นานๆไม่เจ็บไข้ได้ปไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไายหรอยู่ไปเถอดไม่ต้องกังวลนี่นะสอนทางบวกให้คิดทางบวกกันใช่ไหมสมัยนี้นก็เช e ่าให้ถิงสอนให้คิดทางบวกคิดแต่ง่ายดีเออต่างกายเราปลอดภัยขึ้นเครื่องบินเครื่องบินไม่ตกหรอเรือน้ำก็น้ำเรือไม่ล่มหรอกนั่งรถกันรถไม่เกิดอบททุบัติเหตุแล้วเวลามันเกิดขึ้นจะทํำยังไง S <S ใช่ครับก็หอกตัวเองใบวันๆหนึ่งพยายามจบนั่งไม่ดีไว้เพื่อจะได้จะได้ลืมมันเพื่อจะจะได้ทำตามความอยากของกิเลสตัณหาต่อไปเรื่อย<ช>ๆแต่ถ้าเาคิดถึงว่าโอ้ยจะต้องแก่ต้องเจ็บต้งตาย น, นี้มันกล้าที่ะอยเราจะเราจะไปหาความสุขแบบนี้กันทำไมเดี๋ยววันใดวันหนึ่งมันก็หาไม่ได้ใช่ไหม ชเราแก่เราว่าเจ็บวันนั้นก็หาทางออกด้วยการวิธีค่าตัวตายอย่กันอีกท่านไม่ใช่เป็นเป็นการมองแง่โลกในแง่ลอโดยการค่าตัวตายแต่กลับไปมองว่าเป็นง่าแง่บวกอเว่าดีจะได้หมดทุกจะได้พ้นความทรมาร์กกิเลมันหลอกมันมันเก่งมันฉลาดมันสอนให้เรามองของดีว่าเป็นของไม่ดีมองเห็นของไม่ดีว่าเป็นของดีเห็นว่าการค่าตัวตายของดีใช่ไหม ทกวันนี้มีการถัดดันกฎหมายให้หมอนี่ช่วยทำให้คนไขยตายได้โดยไม่ผิดกฎหมายเราเทศก็มีกฎหมายนี้แล้วคนที่อยากจะตายก็ไปไปตายที่ประเทศนั้นกันอาจจะเป็นวิธีหาเงนินเข้าเข้าประเทศอีกวิธีหนึ่งก็ได้ต่อไปลงไทยอาจจะคิดแบบนี้ก็ได้เฮ้ดีนะเราทำให้คนไขยตายได้โดยไม่ผิดกฎหมายต่างชาติที่เขาอยู่ประเทศที่เขาไม่ ทำผิดกฎหมายก็อาจจะ บ, บินมาตายที่เมืองไทยก็ได้เหมือนกับบินมารักษาตัวใช่ไหมอันนี้ก็มีสัมชัญบินมารักษาตัวที่เมืองไทยเอเนยอะเพราะถูกที่ที่ประเทศเขาที่บ้านเขาต่อไปแล้วก็จะคิดแบบนี้ก็ได้เนี่ทุกวันนี้มันโดนโดนความหนลงครอมงำเห็นผิดเป็นถูกเห็นโกงจากเป็นดอกดัวยเห็นไหมกัญชาเป็นยาเสพติดก็ยังม า, มาทําให้มันเป็นเป็นเป็นถูกกฎหมายได้ก็เลย พอมอวมองโรคในแง่ดีกันเอาของที่เป็นพิษเป็นภัยมามองว่มามันเป็นประโยชน์รักษาโรคภัยแค่เจ็บได้ก็ถ้าตัวตายได้เพราจะได้ไม่ทรมาน์อยู่ไปก็ทรมาร์ดแบบนี้มันไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุต้นเหตุที่ทําให้เรามาทุกขกันก็คือการมาเกิดต้นเหตุที่เราทุกกันกับพราความอยาก อยาหกหาความสุขผ่านทางร่างกายพอไม่สามารถหาความสุขผานทางร่างกายได้ก็ทุกข์ทรมานใจก็ไม่อยากจะอยู่ก็จะคิดฆ่าตัวตายตายตัวตายเขไม่ได้แก้ปัญหาก็กลับมาเกิดใหม่แล้วก็มาเจอปัญหาแบบเดิมถ้าอย่างนั้นเข้าใจนะครับที่ทํามาก็น่าจะถูกต้องแหละครับก็คือคิดคิดไปในทางนี้ไว้ก่อนแล้วก็จะได้เตรียมตัวหนีออกจากโลกนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ แต่ไม่มาเกิด <c oughs> ก็หมอไปยังสอนคนไข้อยู่เรื่อยๆว่าโรคต่างๆนี้บางทีป้องกันได้นะโรคพิษสุราเรื้อรังนี่มันป้องกันได้โรคมะเร็งในปอดที่เกิดจากการสูบบุหี่มป้องกันได้หมอกำหนดรณรงค์กัน น, นะาการสูบบุห ร, รี่อย่าดื่มสุรายามาโรคอะไรต่างๆโรคเอดโรคอะไรที่เกิดจากการติดเชื้อต่างๆก็มีวิธีป้องกันมีวิธีแก้ก็บอกกันไป อันนี้ก็เหมือนกันโรคที่ทำให้เรามาทุกข์กันทุกวันนี้เราก็แก้ได้ด้วยการอย่ามาเกิดครับอนนัความอยากต่างเสียเมื่อไม่มีความอยากแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องทำมาเกิดไปเมื่อไม่มาเกิดทุกข์ก็ย่อมไม่มีแก่พู้ไม่มาเกิดแต่ถ้ายังมาเกิดอยู่ก็ยังต้องมีทุกข์ทุกข์ทางขันด้วยและทุกข์ทางจิตใจทุกข์ทางอริยสัจด้ย กับของพระคุณพระอาจารย์ครับเดี๋ยวเปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้ถามบ้างครับจากคุณฟ้าใสครับเมื่อไหร่เมืองไทยจะหมดกรรมครับพระอาจารย์อ๋อมันไม่มีวันหมดเพราะคนที่เกิดมานี้อยู่เฉยๆไม่ได้กันนะถ้าอยู่เฉยๆได้ก็กหมดกรรมได้ครับถ้าพวกเราอยู่เฉยๆไม่ต้องทําอะไรได้ ไม่ต้องไปทำบาปไม่ต้องไปทําไม่ต้องไปแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายได้าก็หมดกับนะก็จะไม่มาเกิดกันคุณสมพรครับการดําเนินชีวิตในยุคน้ํามันแพงของแพงต้องดำเนินชีวิตอย่างไรให้มีความสุขขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ครับพระเจ้าสอนเสมอว่าให้เราใช้หลักของมักน้อยสัมโดใช้น้อยๆ อ, อย่าฟุ่มเฟือย อย่าฟุ่มเฟอือยอย่าเอออย่าใช้ของแบรนด์เองใช้ของไม่มีแบรนด์เองก็ใช้ทําหน้าที่ได้เหมือนกันเสื้อผ้าตัวละร้อยกับเสื้อผ้าตัวละหนึ่มันก็เป็นเสื้อผ้าเหมือนกันรถยนต์ขนาดสิบล้านกับรถยนต์ขนาดห้าแสนมันก็เป็นรถยนต์เหมือนกันพเราจ่ายจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งได้เหมือนกันเห็นเราต้องรู้จักประหยัดมัธยมักน้อยเราก็สัรโยน คือทันโดดคือบางทีเราอาจจะไม่สามารถถึงแม้ว่าเราขาดแคลนเราก็ต้องยินดีตามมีตามเกิดไปเ่็าอาจจะตามปกติเรากินข้าววันละสา ม, มื้อแต่ในด้ยุคข้าวยากมาพี่อาจจะเหลือสองมื้อมีมีเงินที่จะซื้ออาหารได้เพียงสองมือ้อก็อะก็ยินดีตามตามีตามเกิดไปหรือมือ้อนึงก็ก็ต้องยินดีไปถ้ายินดีแล้วมันจะไม่ทุกขนก็ยัง คำาสันโดษก็คือให้ยินดีตามมีตามเลยมีมากมีน้อยก็ไม่ทุกข์ถ้ายินดีพอใจกับสิ่งที่มีมายังใช้หลักสองงานนี้มากน้อยใช้ใหน้น้อยที่สุดใช้ให้ของถูกที่สุดแต่ได้ประโยชน์เท่ากันอันนี้ต้องเน้นว่าเน้นที่ประโยชน์ด้วยนะเดีย๋ยร่างกายก็ต้องต้องได้รับอาหารแต่อาหารมันมีหลายราคาใช่ไหมอาหารมื้อละห้าสิบ 500, ก็มีมือละห้าร้อยก็มีรือละห้าพันก็มีหรือมากกว่านั้นก็มีอันนี้เราก็กินอาหารที่ถูกที่สุดดีคร้บครับคุณอัญชลีครับสอบถามพระอาจารย์ว่าในกรณีที่ทำบุญให้กับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วเช่นคุณพ่อแต่บุคคลนั้นได้ไปเกิดแล้วบุคคลผู้นั้นจะได้รับผลบุญที่เราทำไปให้ไหมคะไม่หรอกเขาก็ไปทำบุญง่อยๆเองเขาได้บุญมากกว่า รูปที่เราส่ไปนี้เป็นส่วนส่วนน้อยมากเป็นเหมือนเงินที่เราให้ขอทานเป็นเหมือนให้ค้ารถเข้ามากกว่าให้เขาจะได้เดินทางไปสุ่สุขกติเร็วๆขึ้นคุณสมพรครับการปฏิบัติธรรมจะทราบได้อย่างไรว่าปฏิบัติได้ถูกต้องทางธรรมและจะทราบได้อย่างไรว่ามีความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมครับอาจารย์ก็ใจิตใจมีความสุขมากขึ้น ความโลภความโกรธความหลงเบาบางหลงนี่เป็นหลักของการของผลของการปฏิบัติความโลภความอยากได้สิ่งต่างๆที่ร่าดหรือสนเสริมสุขมันจะน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะมีความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมเข้ามาแทนที่ดูความสงบนั่นก็ดูที่ความสงบดูที่ความสุขทางใจและดูที่การลดความความอยากความโลภต่างๆความโกรธต่างๆ ที่มันลดน้อยถอยลงไปสแสดงว่าเรากำลังก้าวหน้าไปในทางทำที่ถูกต้องคุณก้องครับเมื่อเราเกิดทุกข์เพราะเกิดจากผู้อื่นกระทําให้เราทุกข์บาปจะเกิดขึ้นกับเขาหรือไม่ก็ครับคือเป็นความเข้าใจผิดนะวะ่าเวลาเราเกิดทุกข์เพราะผู้อื่นกระทํำนี่ความจริงผู้อื่นเขาไม่ได้เป็นผู้ทําให้เราทุกข์นะผู้ที่ทําให้เราทุกข์คือตีเลทของัวกเราเอง ส่วนผู้กระทานี่เป็นเป็นหรือแต่ผู้ันเป็นชนวนที่ไปไปจุดชนวนให้ตัวตัวที่ทําให้เราทุกข์มันทํางานนัน่นเองเขาเกลยดเขาทําในสิ่งที่เราไม่ชอบเีลียดเราก็เราไม่พอใจโกรธเขาเกลียดเขาขึ้นมาเราทุกข์เพราะความไม่พอใจทุกข์เพราะความโกรธเกลียดเขาไม่ได้ทุกข์เพราะว่าเขาทําอะไรอย่างไรอย่างหนึ่งที่เราไม่ชอบนย แล้วถาเราฝึกจิตนั่นเราสามารถระงับความโกรธความเกลียดความไม่ไม่ชอบได้เวลาก็ทําอะไรที่เราไม่ชอบเราก็เฉยเฉยได้เราก็ไม่ทุกกับการกระทําของเขาได้เราต้องเข้าใจว่าผู้ที่ทําให้เราทุกข์นั้นไม่ใช่คนหรือไม่ใช่สิ่งภายนอกไม่ใช่รูปเสียงกิจก็ถือจะพะที่เรามาสัมผัสได้หรือแต่ผู้ที่ทําให้เราทุกข์ก็คือตันธารของเราเนี่ยความอยากมีอยากเป็นหรืออยากไม่มีอยากไม่เป็น อย่างไม่ก็ทําอย่างนั้นทํานี้กับเราเราก็ทุกข์แล้วใช่ไหมพอเขามาทําในสิ่งที่เราไม่อยากก็ทํากับเราล้วก็ทุกข์แต่ถ้าเขาทาในสิ่งที่เราอยากให้เขาทำเราก็ไม่ทุกข์ใช่ไหม ม, มันอยู่ที่เรามันอยู่ที่ความอยากของเราเพราะว่าตัาหาวิเคราะห์ว่าห า, าะนะนิยามว่าฐานะไม่อยู่ที่เขาเขาบางทีไม่รู้ว่าเขาทาให้เราทุกข์เสียด้วยซ้ําไปบางทีก็ทําตามหน้าที่ของเขา เราข่าวรุมาจะไปจอดตรงนี้เขาบอกตรงนี้จอดไม่ได้ครับเ mm hmm. ป็นที่ห้ามจอดคุณก็ไปโกรธเขาแล้วไปทุกข์อะเขานี้มันไปโทษเขาไม่ได้หรอกใช่ไหม mm hmm. เขาก็ทําหน้าที่ของเขาเราเองแต่หากที่ไม่พอใจที่คนมาขัดใจเรากูจะจอดตรงนี้ทำไมกูจอดไม่ได้วะคุณ mm hmm. ใหญ่แค่ไหนอะไรขึ้นมากล mm hmm. ายเป็นเรื่องเป็นลาขึ mm hmm. ้นมาอันนั้น กรรมอยู่ที่เราคนที่ความทุกข์นี่ยเป็นผลแห่งกรรมที่เราทํานั้นทันทีทำใดเนี่ยบาปกรรมก็อกุศลกรรมเกิดขึ้นในใจเราทันทีเวลาเราเกิดความทุกข์ใจเนี้ความทุกข์นี่แหละก็คือผลของอกุศลที่เราทำให้บาปในใจเราเองคนอื่นเขาไม่ได้มีอะไรกับเราเลยคุณวีนาครับถ้าเกิดมาทําอย่างไรให้พ้นกรรมพ้นบาปพ้นทุกข์คะ ก็ต้องหยุดตันหาความอยากทั้งสามนี้เมื่อยู่น้ามันก็จะไม่ไปทํากรรมเลยนะแต่วันนี้ถ้าเราทํากรรมเพอยากใช่ไหมอยากได้ลาภยศสารเสื่อสุขก็ต้องไปทํากรรมบางทีก็ทํากรรมดีถ้ากรรมดีแล้วฐานมันไม่พอใช้ก็จะต้องไปทํากรรมไม่ดีเสริมใช่ไหก็ถ้าไม่มีความอยากได้ราภยศสารเสื่อสุดก็ไม่ต้องไปทําอะไร อย่างเรานี้ไม่ต้องออกจากวัดใช่ไหแล้วก็อยู่ที่กรุเทพไม่ได้ไปไหนวันๆก็อยู่ที่นี่ไม่ต้องการล่าะละนื้สารสนิทส่วนก็เพียงแต่ดูแลร่างกายไปเท่านั้นเลี้ยงดูร่างกายไปตามีตามเกิดก็ไม่อันนี้ไม่ได้ทําทําด้วยความโลภความอยากมีกินก็กินไม่มีกินก็อดตายเลย AN. นะไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องตายร่างกาย เนื่ตักตานาทั้งสามได้แล้วก็จะจะพ้นจากกรรมรแล้วก็จะไม่กลับมาเกิด อ, อีกต่อไปอาจารย์ไม่ได้ออกจากวัดเลยมากี่ปีแล้วครับอาจารย์ก็ตั้ง แ, แต่มาอยู่วัดนี้นอกจากจําเป็นจริงๆเท่านี้บางทีต้องไปเยี่ยมบิดามารดาหรือคนอะไรที่มันมีเหตุไม่ใช่ที่ไม่ได้เกิดจากความอยากของเราพเพระเับเวง่าย ไ, <c oughs> ไม่เคยมีความอยากจะออกจากวัดนี้ไป แต่มันมีไปมีเหตุมาบักคาให้เราต้องออกไปบางทีก็ต้องไปทําธุระที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้นนบางทีก็ต้องไปทําฟันมนงทีก็ต้องไปตรวจโรคอะไรต่างๆไม่ก็ต้องไปทําเหตุตามตัณใจแต่ความอยากจะออกจากบ้านไปนี้ไม่อยากไปไหนวุ่นวายอยู่เฉยๆสบายแล้วไม่หิวไม่อยากกับอะไรไม่รู้จะไปทำอะไร ในภาษานอกภาษาก็เลยไม่ต่างกันเลยใชครับอาจารย์ต่างเลย <c oughs> ตั้งแต่บัวตั้งแต่อยู่ว่างตาว่าตาก็ไม่เคยออกไปไหนครับ <c oughs> ออกไปนอกจากมีธุระจ า, าเป็นจะนองออกก็มาออกไปนะเช่นอยู่ว่างตากั่างาตา ท, ที่ว่าเคยออกมาจากเน่าว่างประมาณสามสี่ครั้งไปหาหลอมไม่บางทีเป็นไข้ไม่สบายหรือบางทีมีจิตนิมนตต้องตา ม, มนติตาไปนิตาให้ไปกิตนิมนตด้วยก็ไป แต่ไม่เคยคิดคอนนยากจะขออนุญาผมอยากจะออกไปดูนั่นดูนี่ไป ท, ทําธุระไปเที่ยวนะไม่มีไม่มีความอยากอย่นะมีก็ไม่ให้ไปอยู่ดีถ้าไปขอ <c oughs> อนุญาตเดี๋ยวจะขอไปเที่ยวผมเบื่อแกันอยู่วัานีิ้มามามันเหนื่อยจัดอผมไปออกไปเนดะินเที่ยวดูบ้านดูมาสักหน่อยได้ไหมโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไงท่านต้องการให้เราตัดความอยากทั้งหมย ใครไปอยู่ที่มัดทัานในห้าปีแรกนี้ถ้าไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆท่านไม่ให้ไม่ให้ลาไปไหน mm hmm. นอกจากพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยต้องไปดูแลพ่อแม่เรื่องอะ mm hmm. ไรของเรา่้ไม่สบายก mm ็ออกไปหาหมอไปรักษาตัวคุณจันจิลาครับทุกมากกลัวเป็นโรคซึมเศร้าค่ะพยายามนั่งสมาธิผิดไหมคะแล้วต้องทำยังไงถึงจะไม่เป็นซึมเศร้าคะ ถ้านั่งสมาธิไปนั่งถูกแล้วเป็นวิธีแก้โรคซึมเศร้าได้เพราะ้าจิตเราสงบแล้วจิตเรา จ, จะมีความสุขเราก็จะไม่ซึมเศร้าทางซึมเศร้ามาเราเกิดจากความกังวลตา่างๆเกิดจากความอยากตา่างๆพอไม่ได้อยากก็เสียใจก็ซึมเศร้าได้แต่ถ้าเราทําสมาธิาแล้วจิตเราจะสงบจะมีความเบิกบานชำระใจคุณชินครับ วิปัสนาทําได้ตลอดเวลาไหมครับหรือต้องรอมีสมาธิระดับหนึ่งก่อนครับคือจะพูดว่าทําได้ตลอดเวลาไหมก็ถ้าทําได้ก็ดีควรจะทําไม่ได้มากกว่าคุณพิจารณาตายรักได้ตลอดเวลาไหมัรืพิจารณาสุภาพไดตลอดเวลาแรือเล่าถ้าคุณทําได้ทํำไปเลยอต่ส่วนใหญ่ทําไม่ได้ให้คิดถึงความตายเพียงแค่ครั้งสองครั้งก็ยังไม่อยากจะคิดเลย ถ้าให้คิดทั้งวันทั้งคืนนี้คิดได้ปะวิปัสสนาทั้งเวลาทำวิปัสสนาจริงๆมันต้องทําทั้งวันทั้งคืนเลยยกเว้นเวลาที่หลับและเวลาที่เข้าไปพักในสมาธิที่เราจะไม่พิจารณาทํำวิปัสสนาแต่การที่จะมีความสามารถพิจารณาทาำวิปัสสนาได้นี่มันต้องมีกํำลังที่สนับสนุนจากสมาธิมาเป็นผู้พักนันให้สามารถพิจารณาได้อย่างต่อเ น, นื่ย ก็ใจที่มีความสงบมีใจเพรียงามนี้จะไม่รู้สึกหวั่นวายกับการพิจารณาเรื่องเรื่องที่ไม่พึงไม่เรื่องที่ไม่ชอบกันเรื่องความแก่ความเจ็บความตายเรื่องความไม่สวยงามของร่างกายเรื่องของซากศพอะไรต่างๆนี้นี่เป็นสิ่งที่ถ้าใจไม่มีความสงบไม่มีสมาธินี้จะทุกกิเลสดึงไปทั้งอื่นทันทีหรือสร้างอุปสรรคขึ้นมาพอคิดถึงความตายก็รู้สึกโกรโห ไม่มีกําลังจิตกำลังใจที่จะทําอะไรเลนไม่กา้คิดคิดไม่ได้เห็นไหมถ้าผู้ตามหลักทำแล้วถ้าพิจารณาได้ตลอดเวลาก็ดีเลยแต่มันจะได้จริงๆก็ต้องมีตั้งได้ผ่านสมาธิไปก่อนจิตต้องมีสมาธิมีกําลังลถึงจะสา ม, มารถพิจารณาได้เวลาออกจากสมาธิมา พิจารณาได้มากได้น้อยก็อยู่ที่กำลังของสมาธิครับที่เรามีอยู่ด้วยถ้ามีน้อยก็ยังพิจารณาได้น้อยถ้ามีหน้า ก, ก็พิจารณาได้มากคุณนภาครับชีวิตที่ไม่เคยมีสิทธิ์เลือกทําเพื่อตัวเองเลยทําไมจึงรู้สึกผิดทุกครั้งเมื่อคิดที่จะทําอะไรเพื่อความสบายใจของตัวเองครับไม่เคยมีสิทธิ์เลือกทำโทษตัวเองเลยไม่จริงหรือมั คนชีวิตทุกคนก็มีสิิ์เลือกเพียงแต่ว่าอาจจะมีบางเรื่องที่เลือกไม่ได้แต่เรื่องเรื่องที่เราเลือกได้ก็มีไม่ใช่หรเลือกเสื้อผ้าเราใส่ชุดนั้นชุดนี้เลือกกินนั้นเลือกกินนี้มันก็เป็นการเลือกเหมือนกันแต่เราอาจจะอยู่ในกรอบที่มีถูกบังคับว่าเราไม่เราเลือกทําอย่างนั้นทํานี้ไม่ได้อันนี้ก็พอพอจะไปทําก็เลยรู้สึกว่าเราเราออกนอกกรอบไป เพราะว่ากรอบนี้เขาอาจจะมีไว้เพื่อรักษาออความปลอดภัยให้กับเราก็ได้เช่นไม่ให้ไปเที่ยวเงี้ยพ่อแม่ จ, จะบอกไม่ไม่ควรไปเที่ยวบาเที่ยวผับอะไรอย่างนี้มี่พอเราอยากจะทําเพื่อความสบายใจตัวเองก็เลยไปเที่ยวครับแต่ไปทําแล้วก็รู้สึกผิดเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่ควรจะทําอยู่แล้วใช่ไหมหรือไปประพฤติผิดประเวทีะอย่างนี้ คนชาวพุทธเขาบอกยศว่าไม่ควรจะทําประพฤติประเวณีหรือท่างควรทำพฤติกรรมที่เหมือนที่มันเกี่ยวดองกันเช่นทำตัวแต่งกายแบบเซ็กซี่วอร์มวาฟวิวอะไรต่างๆอันนี้ก็มันถือว่าเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมเพราะเป็นอันตรายต่อผู้กระทําอายุนี้สมัยนี้เขาเข้าเห็นว่าว่ า, วาเป็นการหาความสุขแบบนี้เช่นจะแต่งเสื้อสวยๆเย่นจะโชว โอเชิญ เ, เต้าอะไรของฉันนั้นมันเรื่องของฉันนะไม่รู้เหรอว่ามันก็เป็นการหาความสุขแบบปลอมๆไปวันๆหนึ่งใน ว, วันหนึ่งมันก็หมดสภาพไปใช่ไหมร่างกายมันแก่ลงเหี่ยวยานลงไปมันก็ทำอะไรไม่ได้หาความสุขแบบนี้ไม่ได้มันก็จะเกิดอาการโรคซึมเศร้าตามไปนั้นถ้าเราอยู่ในครอบครัวที่ทมีมีธรรมะธรรมโมนี่เขาจะสอนให้เร า, ารู้จักรักตัวสนุนตัว ไม่ให้ทัตัวสา่งสอนไม่ให้ทำตัวแบบพวกที่หาหากินใียามกลคืนอะไรทำย่างนี้แต่ในนี้สมัยนี้ออกมาพิ้นผ่านทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทัไปทังแขกทักคนได้หมดาะสังคมเสริมจากศีลธรรมนี่ไม่มีการสา่งสอนกันแล้ว น, <Okay. S 1> นั้นคนที่ยังถูกสัง ส, สอนให้อยู่ในกรอบที่มีงาน พอตัวใหญ่ไปทำออกงน้า ก, ก, ก็เลยไม่สบายใจที่ว่าเพราะ้ว่ามันผิดครับคุณหน่อยครับอันนี้ผมไม่เข้าใจคำถามเหมือนกันครับอาจารย์ For you, but never forget ทำอย่างไรดีครับคือให้อาภัยได้แต่ลืมไม่ได้ก็เวลาที่จะเวลาที่จะจแล้วก็ใช้พูดโทรหยุดมันได้ เวลาเราไปจำเรื่องที่เราอยากจะที่เราจะให้ให้ให้ให้อภัยเขาไปว่าแต่ถ้าเราให้อภัยจริงๆนี้ถึงไม่เราจะจำได้เราก็จะไม่ทุกข์เราจะไม่แคร์เพราะเราแะ้วนะความแคร์ได้ด้วยการให้อภัยอย่างจริงถึงแม้ว่าเราจะจำได้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ไม่เสียหายอะไจำไม่ก็ดีก็จะได้ไม่ทําไปทําให้มันประวัติตศาสตร์ซํารอยะถ้าเราทําผิดพลาดไปแล้ว ทำให้เกิดเรื่องราวนี้ขึ้นครั้งต่อไปเราก็อย่าไปทําเนื่องจาคนบุคคลนี้ถ้ามาทากับเราไม่ดีไม่ร้ายแบบนี้เราก็ต้องจําไว้เพื่อที่เราจะได้ป้องกันไม่ให้เข้ามาทําร้ายกับเราอีกได้เรื่องการไม่รีวิไม่เป็นไม่เป็นปัญหาอะไรแต่การให้อภัยนี้ต้องควรจะให้อภยัยใช่ไหเพราะมันจะทําให้เราสบายใจไม่อมแค้นไม่ได้จากไปเรื่อยๆคามแค้นนี่มันเป็นความทุกข์ใจถ้าเราให้อภัยได้ความแค้นมันก็จะ ความทุกข์ใจก็หายไปทุกครั้งที่เราคิดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันก็ไม่ทําให้เราทุกข์ใจแต่เราก็ไม่ควรที่จะลืมเพราะเที่นโลยีป้องกันไม่ให้เกิดปร ะ, ประวัติศ า, าสตร์ซ้ํารอยยังมีสุภาษาิตบนหนึ่งเขาว่านั่นเป็นของใครวะถ้าคุณโกงเราครัง้งแรกนี่มันก็เป็นเรื่องเป็นความผิดของคุณเป็นมาโกงเรา แต่ถ้าเราปล่อยคุณโก้ครั้งที่สองนี่มันเป็นความผิดของเรา ะ, ะ, ระเพราะไม่จดจำไม่เอามาเป็นบทเรียนสอนตนเองนะาคนที่เชื่อถือไม่ได้นะอย่าไปเชื่อเขานะว่ายืมเงินเราไปแล้วเขาไม่จ่ายแล้วครั้งต่อไปเขาก็มาหลอกเขเอยืมเงินอีกเพราะอะอย่าปล่อยให้เข า, เาแล้ายืมเงินเราอีกะถ้าเราให้เขายืมอีกก็สแสดงว่าเราโง่เป็นความผิดของเราเราลืมไปลืมว่าคราวที่แล้วเขายืมแล้วเขาไม่เคย ไม่คืนเงินให้กับเราแต่เราไม่โกรธเขาเนะี่ยคั้งหน้าเขายืมเงินไปแล้วก็ไม่เคยก็ถือว่าให้ไป ย, ยกให้เขาไปเพราะยังไงก็ไม่ได้คืนดีใช่ไหม <c oughs> เรามาโกรธแค้น ม, มาเปล่ามันก็ไม่เป็นประโยชน์ เ, เสียสองได้เสียเงินแล้ยังต้องมาเสียใจเ ส, ยเสียเสียดังเดียเลยว่าให้อภัยเขาแล้วเราก็หายความเสียใจได้แต่ก็แล้วก็ควรจดจําว่าคนนี้ให้ให้ยืมเงินต่อไปไม่ได้นะ อยข้างหน้านมายืมเงินก็ปฏิเสธได้อย่างเต็มตังคอ sorry เสียใจคราวที่แล้วคุณยังไม่คืนเงินเลยถ้าคุณอยากจะยืมเงินก็อาเงินกลับมาคืนก่อนแล้วอาจจะให้ยืมเงินใหม่ได้คุณจีรนันท์ครับขออนุญาตเรียนถามเวลาที่เราแผลเมตตาทำไมถึงมีน้ำตาไหลคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของของส่วนตัวส่วนบุ บางทีเราทําอะไรที่มันอากาศจูการความประทับใจมันก็เกิดน้ําตาหลได้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องแผลให้ตาเรื่องอะไรเยืะอยะไปหมดบางทีเรื่องการเสียสละบางทีเราเสียสละความสุขของเราให้กับคนอื่นได้เนี่ยเราก็น้ําตาก็ไหลได้เห็นเขาทุกข์ยากลาบากเราเราสบายกับเขาเราแค่อะไรแบ่งปันความสุขเสียสละความสุขของเราให้เขาไปอย่างนีเก็มีความสุขจากการเสียสละของเราเราก็เกิดความ สบใจเกิดผ่าประทับใจน้ำตาก็ไหลได้มันมีหลายเหตุที่ทำให้น้ำตาไหลนะแล้วถ้าเราไม่ทุกก็ไม่เป็นไรมันเป็นความปลื้มมากกว่าความเพลิดเพลิคุณสมพรครับการทำคุณคนไม่ขึ้นเกิดจากอะไรต้องแก้อย่างไรควรใช้หลักปฏิบัติทำอย่างไรครับทาน้อยไปมั้ทำน้อยไปไ <laughs> <laughs> แต่ถ้าทํำมากแล้วมันก็ยังไม่ตอบแทนบุญคุณเราก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องนิสัยของคนเข้าไปคนบางคนก็มีความกระตันยืนกตเวทีคนบางคนก็เป็นคนอาการยืนนั้นก็อยู่ที่เราต้องเลือกคนทำว่าเราทํากับคนที่มีความกระตันยูนหรือไม่ถ้าเรารู้ว่าเขาไม่มีความกระตันยูนเราก็อย่าไปทําอย่าไปทำสำสาําซ้ํำซากอย่าไปผิดซ้ํำซากคนมีหลายแบบคนที่กรตันยืนก็มีคนที่อาการยืนก็มี คนที่ร้ายก่อนนั้นก็มีคือคนที่ทรารพีก็มีทําทําคุณให้เราเขากลับมามาทำร้ายเราคนหนึ่งไม่ได้ตอบแทนคุณยังไม่เท่าไหร่นี่ยังมากลับมาทำร้ายเราอีกก็มีมันร้ายกับคนอัคตันยูคนอัคอตันยูเพียงแต่วเขาไม่ตอบแทนคุณแบบนั้นแต่คนทรารพีนี่มันมันกลับมาทำร้ายเราอันนี้มันก็อยู่ที่วิสัยของแต่ละคนไม่เหมือนกัน เราก็ท้งศึกษาดูคนที่เราคบกล้าสมาคามด้วยคขามป็นที่สายแจ็คอยอย่างไรสังเกตได้ของเราเนี่บคุณกันกระกล้าครับคนที่เป็นสโปรกนอนติดเตียงจิตเขายังรับรู้ตาเห็นหูได้ยินรับเวรงานได้ใหมครับและจิตสุดท้ายเขาเกิดตั้งแต่ตอนเส้นเลือดแตกนั้นเลยหรือจะยังคงมีจิดสุดท้ายตอนก่อนตายในอนาคตครับ ถ้าร่างกายยังไม่ตายจิตก็ยังอยู่ขอบร่างกายเพราะร่างกายอยู่ท้ายใจแล้วตายสนิทแล้วก็จิตก็จะก็จะขาดจากร่างกายไปแต่จิตไม่มีจิตสุดท้ายจิตก็อยู่ต่ออยู่ในสภาพที่ไม่มีร่างกายเหมือนคนนอนหลับเนี่ยเวลานอนหลับจิตสุดท้ายตอนหลับมันก็จิตก็ยังอยู่ต่อเวลานอนหลับเนี่ยจิตสุดท้ายก็ตาที่หลับใช่ไหมจิตก็อยู่ต่อจิตก็อยู่ในโลกของความฝัน ฝันเรื่องนั้นฝันเรื่องนี้ตอบไปได้เช่นเดียวกั บ, บเวลาที่ร่างกายตายไปจิตก็อยู่ในโลกความฝันฝันเรื่องนั้นเรืนี้อนนตอบไปได้ถ้าทําบุญก็ฝันดีถ้าทําบาปเขฝันน่าฝันนั่าเราก็เรียกว่าบาปฝันดีเราก็เรียกว่าสวรรค์ส่วนเรื่องเรื่จิตเขายังร่ำรู้หรือไม่จิตเขาร่ำรู้อยู่แต่เขาอาจจะไม่รับรู้รู้เสียงเลิดขึ้นอยู่ที่ประสาทของร่างกายว่าสามารถ ส่งไปที่วิญญาณได้หรือเปลาไม่ทราบคนที่มีสตอร์มเนี้ยเขายังประสาทก็ยังทํางานทางตาหูจมูกนิ้วกายเข้าไปกม็มีบางรายก็ยังรับรู้ได้ครับบางรายก็ก็ไม่รับรู้ครับอาจารย์ใช่มันน่าต่ดใช่ไนะหมน่าต่ดประสาทที่ทําหน้าที่ส่งส่งสัญญาณจากลูมจากตาที่รับรู้มาแลาจะส่งมาที่ที่สมองหรือที่ใจต่อไอพีได้หรือเปล่ใช่ครับ จนตใจยังอยู่ใจยังรับรู้เหมือนเดิมมือนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นใจนี้ไม่เปลี่ยนแปลงไม่เป็นอะไรไปครับความเป็นความตายของร่างกายเรับข อ, อกคุนะครับอาจารย์แล้วอย่างคนที่เป็นอัตสตร์รกก็มีแบบตาที่มองไม่เห็นเพราะว่าแสงไม่สามารถจะแปลภาพได้จากสมองเนี่ยครับคือตาเขาเขามองแต่สมองมันไม่แปลภาพก็เหมือนตาบอดไปก็มีครับอาจารย์ครับถ้าบอดก็มันก็วิญญาต์ก็รับภาพก็รับภาพวิญญาต คุณอลิสาครับการที่เราเกิดมาแล้วจําอะไรในภพในชาติก่อนไม่ได้เพราะความจํามันอยู่ในสมองแล้วถ้าเราตายไปสังขารแตกดับจะจําอะไรได้ไหมคะหรือจะจําได้แค่บางส่วนคะความจํานี่มันอยู่ในใจเพียงแต่ว่าบางทีมันถูกฝังเพราะมันถูกเรื่องอื่เข้าเข้ามากดเนี่ยในแต่ละวันนี่เราไปเรื่องใหม่ๆเข้ามากบเรื่องเก่าไปเรื่อยๆบางทีวันนี้เมื่อวานนี้เราทําอะไรบางทีเรายังจําไม่ได้เลยแร้ยว่าจะชาติก่อน นั่นก็เป็นเพราะว่าเรามีแต่มีข้อมูลไหนๆเข้ามาเข้ามาในใจเราอยู่นี่นั้นมันก็มากบข้อมูลเกไามันไม่ได้ลบนะที่อย่งมันเก็อไว้ครับแต่ถ้าเราเป็นคนที่มีมสติ ด, ดีมีสมาธิดีนี่สามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลที่ถูกกรบไว้ได้ภายใต้จิตสํำนึกเราเลือกชาติได้ทุกี้เขาต้องมีมีสติที่ ที่ที่ที่กำลังมากเป็นยังไงที่สามารถที่จะเจาะเข้าไปลึกเข้าไปในในความจับของใจได้แล้วมเจ้าเนี่ยเราเลือชาญได้แพยายามย้อนกลับไปดูว่าชาญที่เริ่มต้นนี้อยู่ตรงไหนเมื่อไร่แต่บอกมันเยอะเลือเกินย้อนเข้าไปเท่าไหร่มันก็ยังไม่เจอต้นตอของชาตญสักทีแต่เรื่องเหล่านี้มันไม่สําคัญเรื่องจำได้ไม่จําไม่หน้านี้ไม่สําคัญ อยู่ที่ว่าเราปัจจุบันนี้เราสามารถรักษาใจของเราไม่ให้ทุกขกลับมาได้หมือไม่บางทีความจำในเรื่องงานดีต่างๆก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่เราต้องไปจำสิ่งที่ต้องจำให้ได้ก็คืออริยสัจสีกับายรักอินทรียที่เราไม่ควรจะลืมว่ามันจะเป็นประโยชน์กับการที่เราจะมาใช้ในการกำจัดคามทุกข์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ไนดะ้ คุณสมพรครับขอแค่แนะนําการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนต่างศาสนิกให้มีความสุขครับก็ต่างไปก็ต่างอยู่กันไปคือสมุนส่วนต่างภาษาส่วนเหมือ น, นั้นสิ่งไหนที่ศาสนาเราศาสนาเขาสอนต่างกันแล้วก็อย่ามาพูดกันเช่นศาสนาเขาสอนว่าพระเจ้าสร้างโลกศาสนาเรามอกว่าธรรมชาติเป็นผู้สร้างโลกทุกอยากเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เกิดจากธาตุธาตุสี่ธาตุหก อันนี้ถ้ามีความเห็นต่างกันก็ไม่เอามาพูดแล้วความเห็นที่เหมือนกันก็คือทำบะทำบุญทุกศาสนาก็สอนให้ทำบุญกันทุกศาสนาก็สอนให้ไม่ทำบาปแลาวก็เรื่องที่เหมือนกันเราพูดกันได้แต่เรื่องที่ไม่เหมือนกันเราก็ขอสงวนไว้อย่ามาพูดกันดีกว่าคูดกันแล้วเดียวมันเกิดเรื่องแม้แต่การเมืองไม่พูดไปได้เลยไหมคนที่ชอบทั้งนี้กับคนที่ชอบที่ชอบพั้งนี้เรามาคุยกันดูเลยหรือว่าตีกันจนได้แล้วเราก็ต้องรู้จัก ว่ควรจะพูดเรื่องไหมไม่ควรจะพูดเรื่องไหนพูแล้วทําให้มันเกิดมีปัญหาขึ้นมาก็อย่าอย่าพูดอย่าว่าอย่าเอามาประเชิญหน้าเอาเรื่องที่ไม่มีปัญหามาประเชิญหน้ากันได้แล้วก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขคุณวัสนาครับบอกว่าเวลาที่ความดันขึ้นมากๆจะปวดหัวถึง213เราจะใช้การสูตรลมหายใจยาวๆช่วยได้ไหมคะ ส่วนหนึ่งเขาบอกคํามดันเกิดจากความเครียดเนี่ยยิ่งถ้าเราใช้ใช้การดูลมหายใจเข้าออกก็อาจจะทําให้ความเครียดลดน้อยลงได้แต่ต้องไม่ต้องลืมเรื่องราว ต, ต่างๆไปอย่าให้คิดเรื่องนราวขณะที่ดูลมให้ให้ให้อยู่กับเรื่องลมอย่างเดียวแล้วให้ลืมเรื่องต่ตางๆที่ทําให้เราเครียดถ้าเราลืมเรื่องราวต่างๆได้ ภาพเพียรมันก็จะลดน้อยถอยลงไปทํามดันมันก็จะลดลงไดค้คุณก้าเดินต่อไปครับถ้าคนอื่นมาทําให้เราทุกข์เพราะเขามาชอบเราเราได้ปฏิเสธไปแล้วแต่ยังมาวุ่นวายกับเราเราจะต้องทําอย่างไรคะก็เราต้องทําใจนะทำใจอย่าให้ทุกข์ทําใจให้คุณเบิกขาด้วยสติด้วยสมาธิแล้วก็ครับ สอนใจให้ปล่อยวางว่าเขาเป็นอนัตตาเป็นเหมือนธรรมชาติที่เราไม่สามารถที่จะไปสั่งได้สั่งให้เขาไปเรืออะไรเมื่อเขาจะมาเหมือนฝนตกเราจะไปห้ามฝนไม่ให้ตกเขาไม่ได้แต่เราก็หัดทำใจให้อยู่กับฝนตกไป่ท่านนี้แล้วก็หัดทำใจอยู่กับเขาไปเมื่อเราห้ามเขาไม่ให้มาไม่ได้เขาจะมาก็ให้เขามาไปแต่เราก็เฉยๆไปไม่ต้องไปยินดีไลเ่เขาเขาไมมา ถ้ามีถ้าเป็นความจําเป็นยังต้องมาพูดคุยก็พูด ค, คุยไปตามธรรมดาแต่อย่าไปพูดนะทํำให้มันเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วมันจะเริ่มมันจะยาวขึ้นไปหรือถ้าเรานิ่งเฉยหน้ไม่ตอบไม่พูดกับเขาได้ก็อา จ, จะทําให้เขาอาจจะอ ไ, ได้ได้ความคิดว่าเขาไม่ต้องการาาเราาอาจจะเริ่มบ่าไปก็ได้ คุณสมพรครับการปฏิบัติธรรมกับการทํางานเพื่อยังชีพต้องปฏิบัติอย่างไรให้สมดุลทั้งทางโลกทางธรรมครับก็อย่างพระนี่พระตอนเช้าก็ไปบินระบามอาหารมาเลีงปากเลีงทอ้องพอได้อาหารแล้วก็จบละการทำงานเพื่ อ, อยังชีพของพระก็มีเท่า น, นี้หาปัจจัยสี่ปัจจัยสี่เรื่องเงินก็มีอยู่แล้วที่อาศัยก็มีอยู่แล้วยารักษาโรคก็มีอยู่แล้วเครื่องนึ่งห้องก็มีอยู่แล้วก็ขัดเพียงแต่อาหาร ที่ต้องไปหาอยู่ทุกวันก็ไปออกมินดาบาชั่วโมงนี้นก็เสร็จภารกิจนี้แล้วหลังจากนั้นก็เอาเวลาที่เหลือนี้มาปฏิบัติธรรมคุณสาวนีครับในเมื่อมนุษย์เราเกิดมาทุกข์แล้วมนุษย์เราเกิดมาทําไมเพื่ออะไรเจ้าคะเพราะแต่ละคําตอบก็ตอบแตกต่างกันไปบ้างก็ตอบว่าเกิดมาเพื่อสร้างบุญบารมีบ้างก็เกิดมาเพื่อรับกกรูกรรมและเรียนรู้ชีวิตเจ้าคะ่ะคุณตั้งเล่นหนึ่ง ที่มาเกิดเพราะความอยากที่เรามาเกิดกันเพราะที่เลวความอยากในรูปเสียงกินวัตถสภาเราอยากเสษรูปเสียงกินวัตถุเราก็เลยต้องมีร่างกายอยากมีอยากเป็นอยากร่ำอยากรวยอยากสวยอยากงามอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอันนี้เป็นความอยากต่างๆที่ทาให้เรามาเกิดกันถ้าเราอยู่ความอยากเหล่านี้ได้เราก็ไม่ต้องมาเกิดกัน คุณเสกสรรครับผมสงสัยเรื่องอวิชชาคืออะไรบ้างและวิธีละอวิชชาปฏิบัติเช่นไรละแล้วผลคืออะไรครับก็เนี่ยไม่รู้ว่านี่ลักษณะสิ่งอวิชชาก็คือการไม่รู้ว่าการมาเกิดของเรา่เกิดจากอะไรเกิดจากการมัทนาภาวะมัทนาวิทวัตนาและการจะยุติการเกิดเกิดจากอะไรก็เกิดจากการปฏิบัติศินสมาธิปัญญาเนีว่าปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติศินสมาธิปัญญา อวิชาก็ศึกษาจากพระพุปธธรรมประสงค์ก็ศึกษาเรื่องปริยัศิสัตว์สีเรื่องเดียวก็พอปริยัติสตว์สีตายรับนั่นเองก็จะก็จะมีวิชาเกิดขึ้นแทนที่จะมีวิชาก็จะเกิดมีวิชาขึ้นมาคุณชนินครับผิดแล้วรู้ว่าผิด หลงแล้วรู้ว่าหลงโง่แล้วโง่อีกตั้งใจจะไม่ผิดอีกหรือจะสู้อีกให้ถึงมรรคผลมันไม่ใช่สายไปใช่หรือเปล่าครับขอพระอาจารย์ให้กำลังใจและสิทธิ์ขอให้พระอาจารย์สุขภาพแข็งแรงครับคือผิดแล้วรู้พี่ว่าผิดเนี่ยถูกแล้วแหละทานสิ่งไหนที่เราทําผิดเราก็ต้องอย่าอย่าไปทําซ้าซ้อนเพราะการกระทําผิดนี้จะมีโทษมากกว่ามีประโยชน์ถ้าเราหลงแล้วเรารู้ว่าหลงอ น, นุี้าต เพาการที่จะแก้ความหลงได้นี่มันมันค่อนข้างที่จะยากนอกจากต้องไปศึกษาจากผู้ที่รู้จิตจิตเพื่ถึงจะแก้ความหลงได้แต่จะแก้ความหลงได้แบบให้มันเป็นเป็นมากเป็นถอยก็ต้องจัดจากการปฏิบัติด้วยการเพียงจะได้เรียนได้ยินได้ฟังเท่านี้ยังไม่พอการที้ว่าเราหลงว่าเราร่างกายเป็นตัวเราของเหลังี่ยผู้ชาบอกก็สอนเราแล้วว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรา ถ้าเราเชื่อนี้มันก็ยังไม่ได้แก้ความของร้อเปร์เซ็นเพราะว่าการกระทำของเราเราก็ยังทําตามแบบอย่างเราก็ยังคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราเรายังต้องวิจัยคำนวณของยาของร่างกายของเราอย่างนี้แสดงว่าเรายังยังหนลงอยู่ทั้งทัที่มีคนมาบอกว่าว่าอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งไม่ใช่เป็นตัวเราของเราแต่เราก็ยังยึดติดอยู่การเราจะปฏิบัติแล้วแก้ความของอันนี้ได้ปล่อยวางร่างกายนี้ได้ ไม่ทุกกับร่างกายนี้น่าท่านั้นเราถึกแก้ความหลงได้งการรู้เฉยๆนี่ไม่พอเรื่องของความหลงนี่มันต้องต้องปฏิบัติได้ปฏิบัติตามความรู้จริงด้วยรู้ว่าร่างกายไม่ใช่ของเราแเราก็ต้องไม่ไปทุกข์ไม่ไปเดือดร้อนกับมันมันจะเป็นจะตายอย่างไรเราก็ต้องไม่เดือดร้อนง้อแล้วง้อเออันนี้ถ้าอยู่กับคนง้อแล้วแล้วถ้าไม่อยู่กับคนฉลาดมันก็จะง่อไปเรื่อยๆ จะเจ้ารสสอว่าให้ครอบคนเจริญอย่าครบคนโลภเพื่อแก้ความโลภของเราตั้งใจจะไม่ผิดอีกก็ถูกแล้วอันนี้เมื่อโลภทำอย่างนี้ผิดหรือว่าการเด็ดชุลายามาวันนี้ไม่ดีมันมันผิดมันเป็นโทษกับชีวิตจิตใจของเราเราก็เลิกเเสียอันนี้ก็จะสู้อีกให้ถึงมติผลมันไม่สายไปใช่ไหมไม่สายเราตามการที่ยังมีลมหายใจอยู่ก็ทํา สู้มรรคผลที่พ่านด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาครับผมต้องไม้หมดนัดใช่ไหมครับท่ช้างต้องต้องไล่ไปทีละข้อเนี่ยครับเพาะบงทีมันโยมๆกันมาแล้วมันตอ บ, รบประเด็นทั้งเดียวมัน ม, มันไม่มรวมเลยต้องไล่ไปทีละข้อเขาขอพระอาจารย์ให้กําลังใจด้วยนะครับนี่ไง ก, กาลังใจคือไม่สั่งกับไปไปบวชได้ที่ไปบวชซะดัง น, น, นี้ ไปออกบวชนะไปฝึกศีลสมาธิปัญญาฝึกนั้รับประกันได้เดี๋ยว่าแท้มากผลไม่พานพระพุทธเจ้านี่ยเมื่อลงามธรรม่ากพระพุทธเจ้าเสร็จนี้ขอบวชเลยใช่ไหมในสระพุทธกาลใช่ครับนแต่แม่ของพระพุทธเจ้าก็ยังขอบวชเป็นภิกษุเองพวญาติของพระเจ้าห้าูกตอนที่พระเจ้าไปแสดงธรรมโปรดในวังมีเจ้าชายห้ารูปก็อขอบวชตามพระพุทธเจ้า พราะได้ยินเรื่องอริยสัจสี่แล้วเข้าใจก็อยากที่จะไปบวชเพื่อให้ได้ไปถึงมรรคผลกันแล้วส่วนใหญ่ก็ไปถึงกันยกเว้นพระเทวทัตท่านั้นที่พระเทวทัตนี่ก็เป็นญาติของพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าชายอย่างใ น, นห้าเจ้าชายที่บวชพร้อมกันพานม น, นี้ก็เป็นญาติของพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าชาย พระอาจารย์มีคำถามฝากถามจากผู้ปฏิบัติท่านหนึ่งนะครับบอกกรณีที่เรามองเห็นทุกข์และเป็นแพทย์แต่พ่อแม่ยังมองเห็นความก้าวหน้าทางโลกและเราต้องมีภาระเลี้ยงดูท่านถ้าเราตั้งใจจริงไปนิพพานชาตินี้หรือให้ได้อย่างน้อยอนาคามีโดยปฏิบัติที่บ้านทําบ้านให้เป็นวัดกราบขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ด้วยข่าวว่าเราควรจะคุยกับพ่อแม่อย่างไรดีครับถ้าคุยแนละ้วก็ไม่เข้าใจก็อยากคุยให้เสียเวลา แเรว่าทําหน้าที่ของเราไปก่อนก็เป็นผู้กอมเงินไปก่อนปฏิบัติในทางใจไปก่อนถ้ายังไม่พร้อมที่จะไปไปบวนได้ยังมีภาระถูกพันอยู่ก็ก็ทำไปนอกจากว่าถ้าเราสามารถที่จะหาเงินก้อนหนึ่งเก็บไวนะ้วให้ท่านใช้ดูแลท่านได้ถ้าเราว่าไปไปบวชได้เงนินก็ไปดูหาคนเง่นดูแลท่านได้หรือยัง วิธีใดวิธีหนึ่งที่ทำให้ท่านมีมีคนมาดูแลทแทนเราได้หรือมีสิ่งที่มาดูแลทแทนเราได้เราก็ไปง่าถ้าเราอยากจะไปบวชจริงๆเพราะการปฏิบัติแบบคาระวะนี้มันโอกาสมันยาก <Okay. S 1> นอกจากว่าเป็นคนที่มีบารมีสูงมีกําลังจิตมีของเก่าเยอะพูดง่ายๆก็อาจจะบรรลุได้ขณะที่เป็นคาระวะขนาด คุณสมพรครับขอคำแนะนำการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานต้องใช้หลักธรรมข้อใดครับใช้พรหมวิหารสี่เมตตากรุณามุตตาอุเบกามีตานี่ถือเป็นพื้นของการพบปะเป็นการอยู่ร่วมกันเดียรใครก็ทักทายเขาสวัสดียินยามให้กันให้ความสุขต่อกันอย่าหน้าบึง้งอย่าแยกเคีียวอย่าด่ากันอย่าว่ากัน อย่างไม่ใช่แต่ความเมตตาเมตตาต้งไม่ไ ม, ไม่ไม่ว่าไม่ต้องไม่พูดไม่ทำอะไร ท, ที่ทำให้คนอื่นเขาเสียหายเดยอดร้นคือเมตตาส่วนกรุณาณ์ถ้าเห็นเขาเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือก็ช่วยเหลือเขาไปช่วยไนดะ้บางทีเขาอามีงานศพเราก็ช่วยทำบุญงานศพไปบางทีเขามีโรคภัยไข้เจ็บมเงินงินรักษาไม่พอเราก็จะ ช่วยกันเรียลัยเงินมาให้เขาไปรักกษาโรคหายใจ็อันนี้ก็เรียกว่ากรุณาแล้วแต่กรณีเนี่ยมันไม่ได้ใช้ตลอดเวลามูลิตาก็คือถ้าเกิดเพื่อนผู้งได้ดีได้ดีได้เลื่อนขั้นเรื่อนตำแหนแ่งเราก็ต้องแสดงความยินดีครับไม่ใช่ไปโกรธเข้าไปไปอิจฉาหรือสเสียบขาแล้วถ้าก็ตกอยู่ในสภาพที่เราช่วยหรืออะไรเขาไม่ได้แล้วก็ต้องทําใจเป็นอย่างไรก็ปล่อยวางปองว่ามันเป็นกรรมของเขา ช่วยอะไรเขาไม่ได้เช่นเ่าอาจจะตกงานถู ก, ถกบริษัทไล่ออกจากงานนี้เราก็ไม่รู้จะทำยังไงให้เขาอยู่ต่อแล้วก็ทำไม่ได้เราก็ต้องทำใจว่ามันเป็นเรื่องกรรมของเขาเพื่อเราจะได้ไม่ทุกไปกับเขาได้เลยต้องใช้พรมไอ้หันสีในการอยู่ร่วมกันคุณก้าวเดินต่อไปครับ ทำไมพระโพธิสัตว์ถึงยังต้องกลับมาเกิดค้า ท, ทั้งที่รู้ว่าต้องเจอกับความทุกข์ครับพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้บรรลุธรรมยังไม่มีดวงตาเห็นธรรมยังไม่เห็นอริยาาสัจสพระโพธิสัตว์นี่ส่วนใหญ่เป็นพวกที่บำเพ็ญในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาพวกที่มาอยู่ในยุคของพระพุทธศาสนาไม่ต้องเป็นโพธิสัตว์แล้วเป็นสาวงได้ปฏิบัติเป็นให้หลุดพ้นในภ พ, พนิชานี้ได้นะ มีทางแล้วมีคนสอนแล้วไม่ต้องไม่ต้องคำหาทางเองอาจารย์ริษัที้หมายพวกที่อยู่ในยุคที่ไม่มีคนสอนไม่มีคนบอกทางก็ต้องคำหาทางตัวเองไปก็อาว่ากักบเมันเกิดอีกหลายพันพันชาติก็จะบรรลุเป็นทษัเจ้า์ข้นมา เพราะว่าพระโพธิสัตว์ก็ยังมีความอยากอยู่นะครับอาจารย์ใช่ไหมครับคือก <c oughs> ็อ <c oughs> ไม่รู้ต้นเหตุของการมาเกิดมาเกิดจากอะไ ร, รไมร่ว่าวิญญตณศี่อะไรครับแต่ถ้ารื่วิญัาณศีแล้วมันแก้ปัญหาจบภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปี ค, คุณพีโกครับถ้าชีวิตดำเนินไปตามหน้าที่ในแต่ละวันเราควรวางจิตอย่างไรในช่วงเวลาที่อยู่คนเดียวเพื่อบรรลุธรรมครับก็ทำจิตให้สงบนะ ทำเจ็ดให้นิ่งให้สงบให้ปล่อยวางให้สักแต่ว่าเราฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆคุณอมรทัพครับมีคําถามอยากากราบเรียนถามครับว่าการออกกําลังกายให้แข็งแรงเพื่อส่งเสริมให้ร่างกายมีอายุการใช้งานยืนยาวเป็นการกระทําที่ส่วนทางกับการละสังโยชน์เรื่องการละสักการทิฐิหรือไม่ครับถ้าอยู่ในกรอบของของความเป็นไปได้ก็ถือว่าเป็นเรื่อง ที่เป็นเหตุมีผลก็ก็ทำได้คือเรามีหน้าที่หน้างายนี้เป็นเหมือนเครื่องมือเหมือนรถยนต์เราก็ต้องขาดที่จะดูแลรักษาเครื่องมือของเราให้มันทำหน้าที่ให้กับเราให้ได้ดาที่สุดเท่าที่นานได้แต่ถ้าเราไปทำจนกระทั่งเกิดความเครียดขึ้นมาอันนี้ก็แสดงว่าเลยขอบเขตทำให้มันทำแล้วเราไม่เครียด ทำใหาเราไม่รู้สึกเดือดร้อนทันไปบางคนเครียดกับการที่จะคอยออกกําลังกายให้แข็งแรงอะไรถึงเวลาเาออกกาลังกายต้องออกอาวันไหนไม่ว่างไม่สะดวกขึ้นมาก็เครียดขึ้นมาไม่สบายใจขึ้นมาถ้าอย่างนี้มันก็ถือว่ามันเป็นการทําไม่ไม่มัชชิบาไม่เป็นกระไม่เป็นทางสายกระการดูแลร่างกายก็ต้องดูแลดูแลให้มันดีถึงก็อยู่ในกรอบของมัชชิมา ความพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปส่วนจะได้หรือนนไม่ได้มันก็มีตับใจบางอย่างที่มันาจจะเหนือวิสยัยเราเราออกกำลังกายทํางมนดีแต่มันก็อาจจะไปติดโควิดได้อาจจะไปเป็นมะเร็งขึ้มนมาได้ว่าอาหารที่เรากินมันอาจจะมีสารก่อะเร็งลงไปที่เราไม่รู้สึกตัวก็ได้อ น, นี้เราก็ต้องทาใจถ้าเราทำใจได้ก็ไม่ขัดจากสังโยชน ถ้าเราทําใจไม่ได้อันนั้นแสดงว่าเราไม่ล ะ, ละเราเราเยาไปยึดติดร่างกายว่าเป็นตัวเราของเราถ้าเราดูแลร่า ง, งกายให้ดีตามหลักมัชชิมาทางสายกลางนะแ้วถ้าเกิดมันเป็นอะไรขึ้นมาแล้วเราไม่เดือดร้อนอันนั้นถนะือว่าเราระสัมโยชนได้แต่ถ้าเราเดือดร้อนมัแสดงว่าเรายัางละสมโยชนไม่ได้อาจารย์ครับแล้วอย่างพระมีโอกาสได้ออกกําลังกายไหมครับอาจารย์ก็เนโยงกองบินทบะนี่แหละเป็นวิธีออกกําลังกายที่ดีที่สุด หมอใยุคปัจจุบันรับรองไม่ใช่หรอการเดินการออกเดินไม่ต้องวิ่งก็ได้กา ร, รเดินไปวันละยี่สิบนาทีก็ก็ว่าดีแล้วใช่ไหมใช่ครับนี่พากเดินโยกบอลมาลหลายหลายชั่วโมงก็เดินมินต์บายร่างกายของท่านแข็งแรงอันนี้สององค์การเโยกบอลก็มีแสดงไว้ในในพระตไตรปิฎกแล้วว่าจะทําให้มีสุขภาพแข็งแรงแอายุยืนยาวละโคภไม่เดียดเดีอดคนที่ยันโยกบอลดีแล้วเนี่ย เป็นพาดใช้ออกกําลังกายด้วยการเดินโยกคงเป็นแต่ถ้าอาจะทําโยคะบ้างถ้ามันเกี่ยวกับเช่นสายบางส่วนที่เดินโยกคงอย่างเดียวแก้ไม่ได้ก็มีการดัดหลังดัดหน้าดัดอะไรไปดัดแข้งดัดขาอะไรมีการทําโยคะได้อย่างนี้ก็ไม่ไม่เป็นการถือว่าเป็นการไปยึดติดเของร่างกายเป็นการดูแลร่างกายเพื่อให้มันทําหน้าที่ของมันตอ่อไปได้ ถึงแม้จะบรรลุธรรมแล้วก็ยังต้องอาศัยร่างกายเป็นการใช้ในการแสดงธรรมอย่างถ้าตอนนี้ถ้าเราไม่สบายนอนอยู่บนเตียงนี่เราก็ไม่สามารถที่จะมาแสดงธรรมได้นะครับดันั้นเราพยายามน่าษาสุขภาพของเราไม่ให้เจ็บคข้าย่ให้ป่วยในทั้งปีนี้ใครถ่ายนย่ตั้งแต่ทํามามเพียรเท่นี้ก็เดินจงกรมว่าบินะบา ท, ทุกวันแล้วพักผ่อนหลับนอนตามความต้องการของร่างกาย ไม่อดไม่อดตามหลับขับตามนอนถึงเวลาต้องนอนก็นอนถึงเวลากินก็กินถึงเวลาทาอะไรก็ทกําแบบตามหน้าที่ร่างกายมันก็อยู่ได้ไม่มีปัญหาเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการก็คุยกับเพื่อนบอกผมยังไม่เคยเห็นพระอาจารย์ขาดบินาบาทมาแต่วันเดียวเลยครับพรอาจารย์ <c oughs> <c oughs> เป็นหลายปีแล้วใช่ไหมครับรอาจารย์ก็อาจจะมีมบา้างบางครั้งเอนกับางครัง้งเหมือนมีอยู่ครั้งหนึงรถหยุดไปหลายวันเพราะว่า อ่าเส้นอ่ะเส้นที่ที่แค้งที่ขามันหนักเสกเดินไม่ได้หนักปวดพอรักษาสักสองสามวันก็หายก็กลับไปมีถั่บได้ถ้ามันไม่เสดวิสัยเข้าไปเราก็เด็ดถ้าเป็นไข้หวัดเนื้อเป็นอะไรนี้ไปนะมันจะเป็นไข้หวัดไม่เป็นอะไรไข้หวัดใหญ่ไข้หวัด น, น, น้อยนี่ถึงแม้จะเป็นไข้เนื้าไปทําได้ถ้าล่างกายยังเคลื่อนหวดได้แต่ถ้าแค้งขาไ ม, น, มนเกิดมันมันเจ็บมันเดินไม่ได้ น, น, นี่ก็ทำได้ ้ครับคุณคามิโอครับการฆ่าไรฝุ่นโดยการใช้เตารีดทําความสะอาดเตียงจะบาปไหมคะไม่ทราว่าไรฝุ่นนี้มีวิญญาณหรือเปล่าไม่แน่ใจนะถ้ามันเป็นสัตว์ที่มีวิญญาณก็ถือว่าเป็นการกระทําเป็นการฆ่าสัตว์แถ้าเป็นธรรมชาติที่ไม่มีหรือวิญญาณเช่นพวกพวกเจอรพวกเชืลโลพวกไวรัสที่ไม่มีดวงวิญญาณฆ่าพวกนี้ไม่บาป ไรฝุ่นนี้เป็นยังไงคุณหมอมีตัวตมนั้ยมีแข่งมีกามีอะไรต่างขอกอกาสครับอาจารย์ดูเหมือนจะเป็นกลุ่มพวกมแมลงอ่ะครับ พ, รพวกมแมลงเนี่ยถ้าเป็นแมลก็ถือว่ามีมีวิญญาณครับคุณวรัชยาครับเราควรเตรียมอาหารประเภทไหนนําไปทําบุญไส่บาตครับก็อาหารปกติที่ญาติโยมรับประทานญาติโยมรับประทานอาหารแบบนั้นก็สามารถอาหารแบบนั้นไปไส่บาตได้ ยกเว้นว่าเป็นของมึนเมาเช่นข้าวหมากเนไม่ควรจะถวายพระเพราะมันมันเป็นถือว่าเป็นของมึนเมามันมือนกับมีสัตวมันมันดองแล้วมันก็ทําให้กายเป็นสุราขึ้นมาเข้ามาเหรือของดิดเนื้อเด็ดเนื้อเนื้อที่ไม่สุดเช่นสตดูดูแบบเนื้อที่แบบยังมีเลือดไหลเช็เช็อย่างนี้หรือไข่ดาวที่ยังไม่แข็งไข่ที่ยังไม่แข็งไข่ ย, ยังเป็นยวงอยู่ ยังถือว่าเป็นอาหารเด็กอยู่ไม่ใช่เป็นอาหารสุกต้องถวายอาหารที่เป็นอาหารสุกแต่ผักนี่ไม่เป็นไไรผักไม่ต้องต้องไม่ต้อง Jama. ผักสุกได้อยู่แต่ถ้าเป็นเนื้อสัตว์นี่ต้องเป็นเนื้อสัตว์ที่ที่ที่สุกเต็มที่ไข่ก็ต้องสุกเต็มที่แล้วก็เนื้อนี่ต้องเป็นเนื้อที่เราไม่ฆ่าเพื่อถวายพระหลวงโตอช่ า, านะไปบอกอาะวาเนี่ยผมฆ่าไก่มาทําแล้วก็มาทําแกะไก่มาถวายท่าน ถ้าทาสาบท่านก็จะไม่รับนําไม่ได้ถ้าถ้าทำบาปเพื่อมาทำบุญนี้ท่านท่านรับไม่ได้ถ้าไม่ส่งเสริมเพื่อไงไงแต่ถ้าไปซื้อเนื้อที่ตายแล้วในในในตลาดแล้วมาทํากับข้าวนี้รับได้ถ้าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทําให้สัว์นั้นตายฉันไม่ได้ไปสับที่ร้านเขาไว้นองหน้าก่อนพรุ่งนี้เอาไก่สามตัวนะจะไปทําบุญอย่างนี้ถ้าไปสั่งไว้แล้วเขาต้องไปทําตามที่เราสั่งองนี้ ก็ถือว่าเราได้ทําบาเรื่องของเขาก็ไม่ควรคุณสมพรครับตอนเช้าโยมใส่บาตตอนเย็นสวดมนต์ทำวัดเย็นนั่งสมาธิสิบนาทีโยมจะได้รับอนิสงค์อย่างไรครับก็ได้รับสิบนาทีถ้าทำยี่สิบนาทีก็ได้รับยี่สิบนาทีถ้าทํำชั่วโมงก็ได้รับชั่วโมง เหมือนตักน้าใส่ตรงวันหนึ่งถ้าคุณตักขันหนึ่งก็ได้น้าในตรงขันหนึ่งถ้าคุณตักสิบขันคุณก็ได้น้าในตรงสิบขันอยู่ที่ทามากทําน้อยถ้าทาใส่บานให้พระรูปเดียวนะก็ได้แค่บุญรูปเดียวถ้าใส่บาตกับพระสิบรูป ก, ก็จะได้บุญสิบเท่าอยู่ที่ปริมาณด้วย คุณพระวันชิดถามว่าอยากไปปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์จะติดต่อที่ไหนคะปะติดต่อคุณหมอได้เลย <c oughs> ถ้ า, ถ, าถ้าเป็นผู้หญิงก็ติดก็ติดหมอให้ติดต่อกับทางวัดได้ <c oughs> ครัทางว้ดเขาก็จะมีที่พักแบบเป็นขอทักให้ด้วยนะมีการซือ้อสื้อผ้ามือขาวของเขาลงบวดเช้าเย็นไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิในสํำนักที่วัด สนในวีที่หนึ่งเป็นที่ปฏิบัติวิเวกันนี้ต้องสาหรับผู้ที่ปฏิบัติได้ก้าวหน้าแล้วสามารถปฏิบัติตามธรรมได้ก็มีบ้านท่าของป่าไม้ให้ไปอยู่ปฏิบัติได้แต่ก็ต้องจองไว้ล่วงหน้าแล้วก็ไม่มีใครสอนไม่มีใครเป็นเพื่อนให้ไปติวิเวกอยู่คนเดียวก็มีที่พักบวชสองแบบรืบอสมที่ผู้ใช้ก็เหมือนกันถ้าต้องการติดวิเวกก็ไปอยู่กับท่าคนขับ ถ้ายังไม่ติดไม่เลิกต้องาการทีาทา่จะทำทำปฏิบัติร่วมกับผู้ก้าอยู่ที่ข้างล่างที่มันไคุณสุมพรครับการที่คนเรามีความก้าวหน้าในการทํางานในวิชาชีพทางโลกที่ต่างกันแสดงว่าท่านเหล่านั้นทําบุญมาต่างกันกับคนที่ทํางานแบบอยู่กับที่เน้นความสุขเน้นความพอเพียงน้อมจ่าพระจาจนะครับ คือบุญมันมีหลายชนิดเลยบุญที่เกิดจากการทําการนี้มันก็จะทาจะําให้เราอาจจะเล่า้รวยใน่นพ บ, พบตอบเลยแต่ถ้าดิตชาติเราทําบุญไปดิตชาตินห้เราถึาจะนํารวย ไ, ได้หนึ่งในนั้นคือคนที่มีความดีแต่วย่งอืนเช่นสติปัญญานี่ยต้อเป็นบุญชนิดหนึ่งที่ทําให้เราอ่าเรียนรู้ได้ไวขึ้นครับผู้ น, นี้มีสติดีนจะเรียน เรียนหนังสือเก่งกับคนที่ไม่มีสติคนที่ไม่มีสตินั่งฟังครูสอนแลวใจรลอยจะไม่เข้าใจว่าครูสอนอะไรแต่คนที่มีสตินี้จะใจจะจดจ่อกับคาสอนของครูแล้วก็จะจำได้จะเข้าใจเวลาสอบก็จะสอบผ่านนั่นเอคนที่เรียนเก่งๆนี้เก็จากการมีสติมากมีสติแล้วก็มีปัญญามีไว้พริบดีเข้าใจง่าย เวลาครูสอนอะไรเนี่ฟังแล้วเข้าใจได้ง่า ย, ยาง่วนเลยไม่ต้องมานั่งทบทวนมานั่งคิดหลายรอบบางคนนี่ต้องมานั่งคิดหลายรอบยังไม่เข้าใจียงทีาไอประเรียนพิเศษต่ออีกครั้ง เ, เพื่อให้ให้ให้ครูมาติวให้ให้ติวเตอร์ม า, มาติวให้ให้เกิดความเข้าใจอันนี้แสดงว่าสติปัญญามีน้อยกาเรียนรู้ก็เลยรู้ช้ากว่าพู้อื่เดีนได้น้อยกว่าผู้อเรีนได้ไม่สูงเท่าผูด อันนี้ก็มีส่วนที่จะทําให้ชีวิตของเราในในโลกนี้ต่างกันนี่ก็มีทานมีสติมีสัจนี่ก็มีทานศีลสมาธิปัญญาสี่ตัวนี้ที่จะเป็นตัวที่จะทําให้เรามีความแตกต่างกันถ้าเรายังไปไม่ถึงนี่ผ่านถ้าเรามาเกิดในแต่ภพแต่ชาตินี่ทานศีลสมาธิปัญญานี่ได้จะเป็นตัวที่จะแยกว่าชีวิตของเราจะมีต่างกันอย่างไร คุณสุขทุกอยู่ที่ใจครับการเจริญสติโดยการดูลมหายใจเข้าออกผู้ปฏิบัติจําเป็นต้องหลับตาไหมครับหลับตามันจะสบายกว่าแล้วมันก็จะได้ไม่มีอะไรมาคอยดึงใจให้ไปจากการดูลมถ้าเราดึงเราไม่หลตานี่เดี๋ยวบางที่เห็นอะไรผ่านไปผ่านมาใจมันก็จะลอยไปการที่เราปิดทวรหน้าเพื่อไม่ให้ใจมันลอยที่ทารูปเสียกิ่นแล้วเพื่อให้มันอยู่แับ อารมณ์ที่เราใช้กําหนดให้มันทําใจให้สงบโดยอารมณ์การบริกรรมพุทโธดังนั้นเราปิาสำรวมมินรีสำรวมตาโหวจมดวิ้นกายไม่ไปรับรูปเสียงกลิ่นต่ตางๆเพราะเราต้องการจะดึงใจให้เข้าข้างในดึงใจออกจากรูปเสียงกครับถ้าเราไปเปิดตามันก็ใจมันเลยพุ่งไปหารูปเสียงกลิ่นที่ที่มาทัดตา ท, าทันทีมันมันจะเข้าข้าไหนยาก คุณสีวพรครับคนเราชอบความสุขแล้วทําไมจิตชอบนำความทุกข์เข้ามาคะเพราะไม่รู้ว่าสุขจริงมันเป็นยังไงไปเอาความสุขที่เป็นสุขก่อนสุขที่หุ้งห่อความทุกข์ไว้นั่นเองสุขที่ราคากันนี้เป็นความสุขที่เป็นคามสุขที่หุ้มห่อความทุกข์คือสุขแล้วก็สุขต้นดัดทุกปลายยังไม่เหมือนเหมืยาน้ําตาน้ําตาเคลือบยาขมเนี่ยเวลาเข้าไปานหวานเจี๊ยบนะย อน้ำตาลหมดปั๊บทีนี้ก็เจอรถของนะอันนี้ก็หมายกันความสุขต่างๆที่เราหาผ่านทงงนางตาหรือจมูกหรืกายหรือร่างหรือสสารนี่มันเป็นความสุขแบบพุ่มด้วยความทุกข์ไว้เป็นความสุขพุ่มห่อความทุกข์เพราะมันเป็นความสุขชัวว่วคราวเวลาได้มาใหม่ๆก็มีความสุขนีแต่พออยู่ไปนั่ัๆสิ่งที่เราได้มามันก็เริ่มเสื่อมบ้างเปลี่ยนไปบ้างสูญหายไปบ้างพมันเปลี่ยนไปสูญหายไป เราก็เลยเจอความทุกข์ขึ้นมาแจกค้อนแต่งงานกับแฟนใหม่เนี่ยพอสามเดือนแฟนหนีไปอะารนี้่ไปมีแฟนใหม่อย่างนี้มันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเพราะเราไปหาความสุขที่ไม่แน่นอนหาความสุขที่มันจะต้องมีวันเปลี่ย น, ว, น, ยนวันหมดวันสิ้นสุดนั่นเองนั่นอันนี้ไม่ใช่เป็นการหาความสุขเป็นการหาความทุกข์เราจะหาความสุขจริงๆต้องไปหาความสุขแบบพร ะ, ะเจ้าหา คือหาความสงบภายในใจของเราหาความสุขที่เกิดจากความสงบภายใน ใ, นใจอันนี้จะยั่งยืนกว่าจะไม่เปลีป่ยนแปลงจะอยู่ของเราไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดคือความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติสินสมาธิปัญญานี่ครับคุณพนพครับจิตอยู่ตรงไหนและอาศัยอะไรตั้งอยู่ครับจิตเป็นนามธรรม อยู่ในโลกหนึ่งที่เราเรียว่าโลกทิพอยู่ในมิติเนี่ยถ้าพูดภาษาวิทยาศาสตร์ร่างกายนี้อยู่ในมิติของดินน้ำลมไฟที่เราเรียกว่าโลกของทานแต่จิตนี้อยู่ในมิติหนึ่งอยู่ในโลกของท่านเราเรียกว่าโลกของท่านนี้ว่าโลกทิพย์แล้ว้าจิตนี้ก็เรียกว่ากายทิพย์กายทิพย์กับกับร่างกายนี้มาเชื่อมต่อกันด้วยการส่งกระแส การนำรู้ของจิตที่เรียกว่าวิญญาณในเกาะที่ตาหูจมูกรกายยิ่งตลอดเวลานี้จิตนี้ของเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้ น, นไม่ได้อยู่ในโลกเดียวของร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอะไรกับขึ้นกับโลกนี้เช่นโลกนี้ระเบิดตายเป็นเสียงเสียงร่างกายที่อยู่ในโลกนี้ตายไปหมดแต่จิตทุกดวงไม่ได้ตายไปกับร่างกายจิตไม่ได้อยู่ในโลกนี้เหมือนกับผู้ที่ก็คุมยาในอ า, ากาศที่อยู่บนโลกอยู่บนโลกนี้แล้วส่งยาในอ า, ากาศไปในอวคาศนี้ ไปสํารวจดาวาวกาศผู้ที่สําควบคุมาวอวกาศที่อยู่ที่โอกนี้สั่งการทันสัญญาณวิทยุดาวอวกาศก็ส่งสัญญาณส่งภาพส่งเสียงกลับมาทำสัญญาณวิทยุเหมือนกันถ้าเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นกับยานอวกาศมันก็ไม่ได้เกิดกับผู้ที่ควบคุมยานอวกาศที่อยู่บนโลกนี้ชั้นในใจของเราก็เป็นเหมือนควบคุมน่างกายอยู่อีกโลกหนึ่งที่ไม่ว่าโลกทิ้ง โดยใช้สัญญาณของวิญญาณเป็นผู้นับนับรู้กันสัญญาณส่งข้อมูลให้ต่อกันและกันนับผ่านทางวิญญาณแล้วส่งไปทางสังขารความคิดปตูดแต่งสั่งให้ร่างกายลุกขึ้นยืนขึ้นไปใช้ความคิดสัง่งนะลุกขึ้นนะไปห้องน้ํานะไปถัดไปกินน้าไปดื่ม น, น้าไปทำอะไรอันนี้ใช้สังขารเป็นคนสัง่งส่วนวิญญาณก็รับข้อมูลจากทางตาของจะบกเลืกายเข้ามาทำใจ กาท้งทั้งร่างกายกับใจนี่อยู่คนละมิติกันอยู่คนละพบกันอยู่คนละโลกกันใจใจยอยู่โลกเทพร่างกายอยู่โลกประทานคุณยาครับเรียนถามสองข้อครับข้อที่หนึ่งเมื่อจะสร้างบ้านใหม่ต้องทําพิธีลงเสาเอกไหมคะก็แล้วแต่ความเชื่อมันไม่มีผลหรอกถบ้านจะดีไม่ดีนี่อยู่ที่วิศวกรมากกว่า วิธีคู่ก่อสร้างมากกว่าว่าออกแบบถูกถูกตามหลักของของวิทยาศาสตร์เลยก็ฝันหลังไม่เห็นมันไปทำม้วนเสา อ, อกเสาเองเสร้างตึกแอ i พา s t เ t e ขึ้นมาไม่ได้นี่มวนพาไปเศษไปเปล่าลอันนี้มันเรื่องของความเชื่อที่ถูกสร้างมาในใจของชาวพุทชาวไทยนะมาเป็นเวลา ย, ยาวนานทำอะไรต้องมีพิธีทั้งนั้นมันจะได้ขัมันจะได้ปลอดภัย แต่ก็เกิดภัยต่างๆได้ไม่อาคารถล่มลงมาก็มีเยอะแยะไปคเพราะทําไม่ถูกหลักวิศวกรรมแต่ทําถูกหลักศิลปศาสต ร, ร์มีการในมุมพามาจุดธุปเทียนมาทําวิธีบวงสวงอะไรต่างๆแต่สร้างไปแล้วแตกถล่มลงมาก็มีคเพราะผู้สร้างไม่ไม่ได้ทําตามกฎของวิศวกรรมออกแบบไม่ถูกหลักอะไรต่างๆตรงนี้ก็ กับปัญหาตามมาไมด้ในผู้ตามหลักทางศาสนาพูดนะศาสนาพูดนี้เป็นเรื่เห็นเรื่องผล ม, มากไม่ใช่เป็นเรื่องของความเชื่อแบบโมกนาเชื่อแบบไม่มีเห็นไม่มีผลข้อที่สองครับจะต้องโค่นต้นไม้ใหญ่เพื่อใช้พื้นที่สร้างบ้านใหม่ต้องจุดทูบบอกลุกคเทวดาไหมคะต้องจุดทูบกี่ดอกคะ นนี้ก็เป็นความเชื่อว่ามางทต้นไม้ก็เป็นที่อยู่อาศัยของโรคตะเภานาครังเทพของกายทิพย์ก็เพื่อที่จะ่มสร้างความหนักหนังใจให้แก่เทวดาก็จุดทูบขอจุดทูบเทียนขอเข้ามาณว่ามีความจําเป็นที่จะต้องตัดต้นไม้ตอนนี้เพื่อสร้างบ้านก็ขอให้ท่านย้ายไปอยู่ที่นะอะไรทั้งนั yeah. ้นครับท้องจนจุดทูบเทียนกี่ดอกก็แล้วแต่แต่เรา อันนี้ต้องไปถามพวกที่เขาทําพิธีกันเพราะทำพิธีกขาจะมีสูตรต่างๆอ่าทํำพิธีนี้ต้องหยุดทุกเทียนกินออกแต่ถ้าพูดทางวิทยาศาสตร์เาก็าทำไปได้จับต้นไม้ได้ทำไปได้คุณราวนครับวันพระไปถือศีลแปดวันหนึ่งคืนหนึ่งครบแล้วต้องกล่าวคําลาศีหรือไม่เจ้าคะ กล่าวก็ได้ไม่กล่าวก็ได้นะแต่ถ้าอยู่ที่วัดมงคลเขามีก่อนว่าเวลาไปก็ต้องไปขอศีลเวลากลับก็ต้องไปลาศีลก่อนเราต้องถับตัดกฎระเบียบแต่ความจริงแล้วมันอยู่ที่ใจเราเท่านั้นอยู่ที่ว่าเราตั้งใจว่าวันนี้จะรักษาศีลหนึ่งวันกันอพอครบแล้วเราก็เลิกรักษาไปก็เท่า น, นั้นเองคุณนัชชาครับ การพูดเรื่องความตายก่อนเดินทางหรือพูดเป็นเรื่องปกติมีเพื่อนแย้งว่าอย่าพูดเป็นลางมันไม่ดีต้องใช้ธรรมะข้อไหนสอนใจตัวเองให้เข้าใจไม่ให้กลัวความตายเจ้าคะาก็ต้องยอมรับขาดตายถึงจะไม่โกลัวตายถ้ายังไม่ยอมตายอยู่มันก็อย่ากลัวอยู่นั่นอย่าปล่อยอมยอมตายอ้ะถึงเวลาจะตายวันนี้ก็ยอมตายวะมันก็จะหา ย, ยกลัว ต, ต, ต้องตรง ผมว่าเกิด ค, ความตายนี่เป็นของที่เราหนีไม่พ้นจะต้องตายวันใวันหน่อย่างแน่นยใช่การจะเป็นวันนี้ก็ได้ถ้าเราปลงได้ยอมรับความตายได้เราก็จะหายกลัวไปตลอดชีวิตไม่ต้องกลัวตายต่อไปคุณนัวัตรครับเพื่อนชอบชวนให้ดื่มสุราของมึนเมาทั้งที่เราพยายามรักษาสิ่งให้ครบแต่ก็ไม่ได้ดื่มตามเพื่อนแต่ก็เสียเพื่อนเหมือนกันครับต้องทำยังไงครับ เ้าก็ต้องเลือกเนี่ยเรื่อาจ่าเราจะเอาศีลเราจะเอเพื่อนถ้าเราเพื่อนเ้าก็ไปอาบายนะเพื่อนถ้าเราศีลเราก็ไม่ต้องไปอาบายนะเพราะอาจารย์บอกว่าให้เลือกเพื pues, <S <S ่อนที่ดีเพื <S <S ่อนที่ไม่ดีก็อย่าไปคบเพื่อนที่ทําบาปเพื่อนที่ไม่รักษาศีลนี้อย่าไปคบถ้าเราไปคบกับเขาก็จะชวนเราไปทําบาปเพื่อนที่ชอบอาบายามุกถ้าเราไปคบกับเขาเขาจะชวนเราไปทําเสียจอาบอย่ามุก ในบางคนกระสุนท่านกสาวไม่ให้เลือกคบคนให้คบคนฉลาดคนที่อไม่ไม่ทําบาปไม่เสียมบ า, บายมุตไปต้นเลือกคนฉลาอยาไปข้บกับคนง้องคนง้อเที่จะไม่รู้ว่าอวัยวะมุกกั บ, บาปนี้เป็นโทษกับจิตใจถ้าคบกับเ้าเขาก็จะชวนเราไปในทางที่เขาชอบถ้าคบกับบันดิตบัณฑิตก็ชวนอะชวนให้เราไปปฏิบัติธรรมไปนันป่งสมาธิกันไปทําเทศ ท, ทำธรรมกัน ง่าก็คบกับคนที่ฉลาดจะดีกว่าเพราะจะดึงเราไปในทางที่ดีคบกับคนง่อเพราะดึงเราไปในทางที่เสียหายคุณประชาครับการที่เรามีชีวิตอยู่ก็เพราะมีบุญอยู่สิ่งที่พบเจอเป็นกรรมเก่าจะทุกข์สุขก็อยู่ที่ใจเราแต่ถ้าเกิดตายขึ้นมาควรจะเรียกว่าบุญหมดหรือมีบุญได้ตายก่อนครับความจริงการที่เราเปชีวิตอยู่เพราะรายังมีลมอยู่ ยังมีลงหายใจอยู่เงาไปถามหมอดูหมอทุกคนบอกว่าถ้าถ้ายังมีรมหายใจอยู่แสดงว่ายังไม่ตายหมอไม่ไม่เอาเรื่องบุญมาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมเรื่องเรื่องร่างกายที่คนไทยเราบ่อยจะใช้บุญนี้เป็นตัวตัวตัวว่าเป็นนู่นเป็นนี่กันแต่บางทีมันไม่ใช่เรื่องของบุญหรอเรื่องของร่างกายถ้ามันยังอยู่ได้มันก็อยู่ต่อไปได้ถ้ามันไม่สามารถอยู่ได้มันก็อยู่ไม่ได้ มันไม่ได้อยู่ที่บุญเพียงอย่างเดียวมีบุญเยอะเนี่ยพระเจ้าเจ้ามีบุญเยอะก็ยังต้องตายครับถ้าบุญเยอะจริงๆนั้นมัาก็ต้องอยู่ไปแบบตลอดนานตระการแต่มันไม่ใช่หรอกบุญการจะมีส่วนมากแต่มันไม่ใช่เป็นส่วนเดียวที่จะตัดสินว่าจะอยู่ต่อไปนานหรือไม่นานมันมีปัจจัยอื่นๆที่อาจจะทําให้ทําให้อยู่ไม่นานก็ได้ถึงแม้จะมีบุญเยอะแค่ไหนะจะไปติดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมา แล้วก็ตายเพราะโรคติดเชื้ออะไรตา่รางๆงนมั น, ม, น, ม, นมันไม่ใช่บุญอย่างเดียวที่ท่านกำหนดว่าเราจะตายชาตายหรือตายเมื่อไมัน ม, มีเหตุปจัจจัยอื่นด้วยคุณสมพรครับทุกสุขเกิดจากใจเหมือนจะเข้าใจแต่บางทีก็เหมือนยังงงๆบางทีทุกเกิดจากสิ่งภายนอกมากระทบใจก็มีอย่างนี้ก็เรียกว่าทุกเกิดจากใจใช่ไหมครับหรือว่าจริงๆชีวิตมีแต่ทุกข์ คือทุกน้อยทุกกลางทุกมากครับอาจารย์ก็อย่างที่บอกอะถ้าเรามีกิเลสเนี่ยมันจะทําให้เราทุกเวลาเรื่องสิ่งภายนอกมากระทบกับใจเราใจเราก็จะทุกข์เพราะกิเลสไม่ใช่ทุกข์เพราะสิ่งที่มากระทบถ้าเราไม่มีกิเลสเนี่ยสิ่งที่มากระทบกับใจมากน้อยเท่าไรมันก็จะไม่ทําให้เราทุกข์อนตัวที่ทําให้เราทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่มากระทบคือกิเลสที่เป็นตัวที่ทําให้เราทุกข์อย่างใจของพระเจ้าไม่ทุกข์กับอะไร สิ่งที่มากระทบกับใจท่านท่านไม่ทุกข์ด้วยเพราะว่าใจของท่านไม่มีกิเลสแต่พวกเราเรานี่มีสิ่งที่มากระทบอย่างเดียวที่มันกระทบใจของพุทธเจ้านี่ใจของเราจะทุกข์ขึ้นมาทันทีเพราะเรามีกิเลสกิเลสเป็นตัวสร้างความทุกข์เวลาที่เป็นจุ ก, การ์นักระทบกับใจคุณแพทย์ครับ การที่เราไม่ทุกข์ในอริยสัจสี่ทำให้เราไม่ต้องเกิดได้อย่างไรคะก็ทุกข์ที่ทำในเหตุที่ทําให้เราทุกข์ก็คือความอยากความอยากอยู hoping, ่นานๆนี่พอจะตายก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีเนีความอยากหรความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายพอไม่ได้ความสุขเราก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีนะแต่ถ้าเราไม่มีความอยากมีความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกาย เวลาเราไม่ได้เสียงรูปเสียงกินเราเราก็ยังไม่รู้สึกทุกข์อะไรอย่างดอันนี้มันเกิดจากกิเลสจากความอยากแล้วก็ความอยากวหน่านี้แหละเป็นตัวที่ทำให้เรามาเกิดเพราะว่าเมื่อเรายังมีความอยากอยู่เวลาร่างกายนี้ตายไปความอยากมันไม่ได้ตายไปกับร่างกายความอยากมันอยู่ที่ใจมันก็เลยดึงใจให้ไปหาร่างกายใหมามาเกิดใหม่แต่ถ้าเราไม่มีความอยากอ ย, กอยู่ในใจเราเวลาร่างกายนี้ตายไป ใจเราก็ไม่มีความอยากที่จะหนึง่งให้เราไปเกิดไปมีร่างกายหน่เราก็จะไม่ไปเกิดไป่อไปคุณเอกกาครับถ้าตอนมีชีวิตเราทําบุญหกสิบเปอร์เซ็นทําปสี่สิบเปอร์เซนเมื่อตายไปเราไปสวรรค์เมื่อใช้ผลบุญจนหมดจะถึงจะไปนรกเพื่อรับผลบาปที่เหลือใช่ไหมครับอาจารย์ยังต้องแวะมาก่น อ, <c oughs> อนพอบุญกับบาปบุญจากหกสิบน้นมาเหลือสี่สิบเนี่ย แลก็ยังไปอบายไม่ได้เพราะสี่สิยังมีกำลังบุญเหลืออยู่อีกสี่สิอันนั้นก็จะอยู่กลาง ร, ระหว่างบุญกับเรืนองสวรรค์กับอบายเรื่องสวรรค์กับนรกช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เราจะมาเป็นมนุษย์ก่อนมาเป็นมนุษย์เพื่อมาสร้างบุญสร้างบาปใหม่แล้วเวลาตายไปถ้าบาปมากกว่าบุญแล้วคราวนี้ก็ไปอบายไปนร ก, กนแต่ถ้าบุญยังมากกว่าบาปอยู่ก็ยังกลับไปสวรรค์ไ่อ อบุบาปสีสก็ยังไม่สามารถแสดงสมได้เพราะบาลาน้์ของบุญมันยังมากกว่าบปอยู่เป็นแบบงานที่เราตายไป ค, คุณมิกกี้ครับกราดนามัตการพระอาจารย์ค่ะหนูภาวนาใจสงบได้ภายใน10นาทีและอยู่ในความว่างประมาณหนึ่งชั่วโมงหลัเห็นโครงกระดูกในความว่างพอจะเข้าไปดูมันหายแวบไปเลยคะ่ะ หนูงงพยายามหาว่าหายไปไหนและเวทนาทางกายเริ่มจัดหนูเลยออกจากสมาธิและยืดขาประมาณสิบนาทีแล้วนั่งต่ออีกหนึ่งชั่วโมงในสองชั่วโมงที่ในชั่วโมงที่สองเห็นแต่นิมิตเป็นรูปพระพุทธเจ้าแสดงว่าหนูทำผิดวิธีใช่ไหมค ะ, สะแสดงว่ามันไม่สงบจริงถ้าสงบจริงมันจะไม่เห็นอะไรเลยคุณจอยส์ครับ ขอพระอาจารย์ขจัดความเข่าถ้าเกิดมาแล้วต้องทุกข์เป้าหมายชีวิตของการเกิดเพื่ออะไรครับเพื่อดับทุกข์นะครับจมีความทุกข์ไม่มีใครต้องการความทุกข์เราทุกคนที่เราดิ้นรนแันงขันอยู <c oughs> ่ในความทุกข์กันใช่ไหมคือแต่วิธีกําจัดความทุกข์ของเราเป็นวิธีที่ไม่ได้กําจัดมันกับลับกลายเป็น ก, การสร้างความทุกข์ขั้นีมากขึ้นพราะเรากําจัดไม่ถูกวิธีเพราเราไม่รู้ว่า วิธีกําจัดความทุกข์ที่ถูกต้องนั้นกาจัดยังไงเป็นการเราจะมาเจอพระพุทธศาสนาเราถึงยังรู้จักวิธีกําจัดความทุกข์ที่ถูกต้องก็คือกําจัดความอยากต่างๆกําจัดเกิดปัญหาที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ทั้งปวงแต่เราไปกําจัดความทุกข์ด้วยการไปหาความสุขมาจับมันมาโกบมันอย่างเราเราทุกข์เราก็ไปเที่ยวกันพอไปเที่ยวกันกเราก็ลืมเรื่องของความทุกข์ชั่วคราว เดี๋ยวเรากลับมาเงินหมดนี่ทุกสองกลับมาเจอต้องทุกข์ก่าแล้วก็มีทุกข์หม่กับไว้ด้วยเงินไม่เงินไม่พอใช้ท่างสิเอาเองินมาเที่ยวหมดนะในการมันไม่ได้เป็นการแก้ความทุกข์ที่ถูกจุดในการสร้างความทุกข์ให้มีมากขึ้นคุณเดอร์มาโฮลิกครับขณะกำลังนั่งสมาธิหากพบว่าตัวตัวเอง สามารถค่อยๆประคองจิตแล้วยืดตัวปรับท่าได้บ้างไหมคะออกตัวงอหากว่าตัวงอครับงอไม่ต้องไปปรับครับถ้าเราไปปรับทางร่างกายแสดงว่าเราออกจากการการเจริญสติแล้วดันั้อย่าไปยุ่งกับร่างกายเวลาเราทำสมาธิให้เกอะติดอยู่กับอารมณที่เราใช้กําหนดให้ใจนิ่งจะเป็นพุโทโธก็ได้เป็นลมหายใจเขาออกก็ไอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับร่างกาย ถ้รารไปขยับร่างกายแล้วเรากลับไปเริ่มต้นใหม่คุณชาเขียวครับกากรเมตสการพระอาจารย์ครับตอนนี้ภาวนาแล้วมีความรู้สึกเห็นกายกับจิตมันแยกออกจากกันเห็นความไม่เที่ยงของชีวิตแสดงออกมาจากจิตตลอดรู้สึกเบื่อหน่ายในการมีอยู่ของชีวิตเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาภายในจิตใจครับไม่ใช่นึกคิดไปเองอาการอย่างนี้เรียกว่าอะไรครับและควรปฏิบัติต่อไปอย่างไรครับ ก็อยู่ขึ้อยู่กับว่าเราทุกกับมนันหรือเปล่าถ้าเราเบื่อหน่ายแบบทุกนี่ก็แสดงว่าเป็นกิเลสอยู่ยังเป็นมีภาวะตาาัณหาภาวะตัณหาอยู่ใจหนึ่งก็ยังอยากอยู่แต่ในความตายก็ในเราให้เบื่อเบื่อชีวิตแเบื่อแบบแบบทุกข์ใจแต่ถ้าเราเบื่อแบบไม่ทุกข์ใจนั้นถึงจะเรียกว่าเป็นธรรมเห็นว่าอ๋ออยู่ไปมันก็มีจตกความทุกข์ในชีวิตนี้สูกอย่างมาเกิดดีกว่า ต้ออยู่กับภวามสงบดีกว่ามันก็แล้วแต่ว่ามันทุกขหรือไม่ทุกถ้าเราเบื่อแล้ทุกก็แสดงว่ามันมันเป็นกินเลยถ้าเบื่อแล้วไม่ทุกก็แสดงว่าเป็นธรรมคุณระวันครับอดีตเราทําบาปมากแต่ปัจจุบันละชั่วทําดีทําบุญถือศีลจะช่วยลบความชั่วในอดีตได้บ้างไหมคะลบไม่ได้ของในอดีตไม่ว่าจะเป็นบุญหรือเป็นบาป เพียงแต่ว่าเราอาจจะทําให้มันไม่สามารถแสาดงผลได้ทันทียึงถ้าเราทำบุญมากก็ทําทบาปบุญาายืดแสดงผลก่อนบาปยังไม่สามารถแสาดงผลได้คุณเจเจครับผู้บังเกิดกล้าวกาลังจะเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดหัวใจควรพูดอย่างไรให้ท่านตัดความกังวลได้ครับถ้าเราเป็นท่านเราตัดความกังวลได้ไหรือเปล่า ถามโดยเราเองถ้าถ้าเกิดเราต้องไปเข้าพาต่างพรุ่งนี้เราจะพูดกันกับตัวเราที่จะตัดความกังวละถ้าเราตัดความกังวลหน้าแล้วก็ไปสอนพ่อได้ก็ต้องอยู่ที่ว่าท่านยินดีจะฟังเราหรือไม่ด้วยครับถ้าท่านไม่ยินดีก็อย่าไปพูดอย่างนั้ท่านถ้าท่านถามว่าทําไงว่าจะช่วยตัดความกังวลใจได้เราก็ต้องรู้ถ้าฐานพระพราเขาบอกต้องโปร่ง หายก็หายไม่หายก็ตายอย่างเช่นนี้มันก็หายกังวลเนี่ยที่มันกังวลเพราะมันอยากจะหายมันไม่อยากตายครับมันก็เลยกังวลแต่ถ้ายอมนะว่าถึงถ้าถึงเวลาจะตายก็ยอมตายนมันก็จะหายกังวลแต่เขาจะรับได้หรือเปล่ามันมันยาวขมนะความจริงเนี่ยมันยาวขมงั้นถ้าถ้าเขาไม่ได้ถามเราไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากเราก็ไม่ทําะไรพูดดีกว่า แต่ถ้าเขาถามว่าจะทำํำไงดีทําให้เราไม่กังวลทำให้เราสบายใจเขาบอกเปอ ง, สงเสเถอดถ้า ม, มันจะหายก็หายถ้ามันจะตายก็ตายครับคุณคณิตพาครับขอเรียนถามค่ะตื่นมาจะตีอะไรก็แล้วแต่จะดื่มกาแฟแล้วสวดมน์ประมาณหนึ่งชั่วโมงทุกวันแต่คือยังไม่ได้แปลงฟันในลังหน้าคือสวดมน์ทั้งที่ใส่ชุดนอนจะเป็นบาปไหมคะทําเช่นนี้ไม่บา ป, ปบไมจำไม่เป็นอะไร เรื่องส่วนมันจะเรื่องจิตใจส่วนเรื่องของร่างกายนี่ไม่เกี่ยวกันแต่เรื่องดมกาแฟนี่มันก็ยังเป็นกิเลสอยู่มันรู้สึกว่ามันมันสวนทางกันส่วนมันก็ร้อนน้ำกิเลสเดือมกาแฟเพื่อกระตุ้นกิเลสมันก็อาจจะได้แค่ห้าสิบห้าสิบถ้าอยากจะได้รับเต็มน้อยส่วนว่ามันได้เต็มน้อยก็อย่าไปดื่มกาแฟเลิกกาแฟเครับคุณเดอะมัลติเวอร์ชยูนิตี้ครับ ขอโอกาสครับการเกิดการตายในในของมายาเหมือนเด็กเด็กเล่นเกมตายแล้วดีสคาร์ดโอเวอร์แอนด์โอเวอร์เกนใหมครับคือโลกที่เราอยู่นี่เป็นโลของมายาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นอยูสัมผัสอยู่นีมันเป็นมายาเท่านั้นมันเป็นเหมือนฟองน้ำอันหนึ่งมันแตกมันมันมันโผลขึ้นมา้วเนี่ยมันก็แตกหายไปแล้วก็มีฟองน้ำอันหนึ่งโผลขึ้นมา มีเหตุการณ์ตา่างๆเกิดขึ้นวันนี้เนี้ยมันก็หมดไปแล้วผ่านไปก็มีเหตุการณ์ใหม่เกิดขึ้นอีกคนที่อยู่วันนี้ก็ตายไปก็มีคนมาเก่แทนที่มันเป็นมายาของพวกนี้เป็นมายาทั้งหมดถึงในนี้มีการเกิดการดับนี่ถือว่าเป็นมายามเป็นมายาอาจารย์ขอโอกาสอีกสองข้อนะครับ ค, คุณเอกนัดครับ ถ้รารว่าจําเป็นต้องทานศีลภาวนาหรือสามารถเริ่มจากศีลสมาธิปัญญาได้ในแนวทางเดียวกับพระสงฆ์ครับถ้าเราไม่มีเงินทำบุญทำทาน ก, ารก็นาารักษาศีลสมาธิปัญญาได้เลยแต่ถ้ า, ายังมีเงินอยู่เราก็รักษาเงินไปให้หมดถึงจะเปทําแบบพระสงฆ์ได้เพราะพระสงฆ์นี่ท่านทํา ท, ทานหมดแล้วรักษาทรัพย์สมบัติเข้าของเงนิงนทอนะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงนินทองนะท่านเลยท่านเลยปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้ ถ้าเงินเกี่ยวข้องกับเงินทองอย่างของเงินทองอยากได้เงินทองอยู่นี่เราก็จะไปไปฏิบัติะะศีลสมาธิปัญญาไม่ได้เพราะเรายางจะห่วงเงินถ้าเป็ น, หนเหมือนเรือการทําบุญการทำ ท, ทา น, ททานี่เห็นืองทีรถอนสมอเรือถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ถมอนสมอเรือเรือจะวิ่งไปไม่ได้นะจะไปลอยไปไม่ได้ถ้าเราอยากให้เรือลอยไป เราก็ต้องถอนจมรเนื้อถ้าเราอยากจะให้จิตไปสู่สีสมาธิปัญญาเราก็ต้องทำทานก่อนสารพั์ ส, ส, บสมบัติเข้าของมันท่านัน้นจะได้ทำได้อย่างเต็มที่เต็มร้อยคำถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับจากคุณเบสขอทราบวิธีกำหนดสติในขณะทา ง, งาน <c oughs> แล้วใจเผลอคลิดเรื่องต่างๆจะมีวิธีทำให้สติกลับมาง่ายๆบ้างไหมครับก็ใช้พุโทโธช่วยก็ได้ครับ ทำงานแล้วก็เวลามันจะไปคิดเรื่องอะนั้นใอการใช้โปรแกรมบรยการพูดโถอพูดโถอะไปขณะที่เราทำงานไปด้วยพระอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆฟังอยู่ใน f a c e b o o เจ็ด้อยแปดสิบคนใน y o u ู u เก้า9้อยหกสิบเก้าคนในครับ h a าส์ยี่สิบคนครับวันนี้มีคนฟังทำด้วยกันหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้าคนครับพระอาจารย์ครับั <c oughs> น, นก็มากพอสมควรนะยังดีด้วยกับทุกท่านที่เข้ามาเริ่มฟังกัน บอกว่าคงจะได้รับประโยชน์มากไม่มากก็ น, น้อยหรับ <c oughs> ิดนี้ก็คิดว่าสมควรแก้เวลาก็ขอให้ท่านจงน้ำมอสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณานะไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในทางมมยิ่งขึ้นไปเธอสาธุก็ขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงท่นี้โอกาสหน้า อาทิตหน้าถ้าไม่มีอะไรเหตุการณ์เข้าก็คงจะได้พบกันอีกครั้งหนึ่งครับขอเจริญพรครับกลับขอบพระคุณอาจารย์ครับ